วันนี้อาตมาตั้งใจว่าจะเอาเอ s เเอสของคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้ามาม า, มาใช้เป็นเป็นไกด์เป็นประเด็นในการที่จะอธิบายอาตมานะไม่ได้มาเถียงนะไม่ได้มาเถียงกับคุณแปดเจ็ดูนย์ห้าไม่ได้มาแยง้งมาเถียงไม่ได้มาแยง้งมาเถียง แต่มันเป็นความเห็นที่ต่างกันอาตมาก็มาเสนอความเห็นอีกอันนึงที่อาตมาเห็นต่างกับคุณแ7 0 5จศูนย์ห้ามันเป็นความเห็นต่างจริงๆมันเป็นเรื่องนานานาน า, น า, นาสังวาสนะคือเป็นพูดเหมือนกันสังวาสเดียวกันพูดเหมือนกันแต่ว่ามันเห็นต่างมันนาน า, น า, นามันต่างกันไปนอะอากอนจะได้บรรยายได้อ่านได้ทำอะไรก็ ตามธรรมเนียมก็รายการนี้ก็มีประเด็นผู้จะส่งประเด็นมาได้ตอนตอนหลังตอนแรกในอาตมาใช้หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหลังก็ตอบประเด็นพระนริพุทธิสตรอกชมทั้งบ้านก็ส่งประเด็นมาได้นะในรายการนี้เบอร์โทรศัพท์ที่จะส่งประเด็นก็ต้องบอกไปตามธรรมเนียมอีกนะศูน5แปดแปดห้าแปดห้า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 ห ม, หมายเลขโทรศัพท์ที่จะส่งประเด็นเข้ามาอ้าวทีนี้ก็เข้าเรื่องเข้าราวอาตมาเองได้ประโยชน์จากคุณแปดเจ็ดูนย์ห้านี้ได้คน้นคว้าเพราะว่าคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าแยงมาแล้วก็เอ้ออย่างนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะเอาไปดูที่ก็ตรวจสอบอตรวจสอบในหลักฐานในอะไรต่างๆนานาเออก็ยิ่งทำให้อาตมาจำเริน่นจำเริญขึ้ น, นเรื่อย ดีอย่างหนึ่เป็นประโยชน์ขอบคุณนะแต่ก็คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าก็เป็นคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้านั่นแหละมีจำนวนสมเนียงอะไรก็ว่าไปตามภาษาก็คนเรามันก็มีอะไรก็เป็นอันนั้นของตนเองนะเอะเนาะก็อา่านดูซิของของคนอื่นๆบ้างเมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้วันที่สองที่จะตอบของคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้านวันที่สามจะม า, มายาวหน่อยวันที่สองที่สามนะ ไอ้วันที่สองอัตมาอ่านไปอยังเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้าวันที่สามไอ้สามอัตมาไม่ได้อ่านนี่เนาะไม่ได้อ่าน SMS เอสเเอลยเมื่อวานนี้อ่านได้เอาอ่านดูก่อนวันที่สองในของสี่สี่หนึ่งศูนย์บอกว่าวาจาหยาบคายของคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าบ่งบอกถึงการปฏิบัติไม่ถูกทางเพราะยังโทสะกําเริบเอาเขา อ, อาจจะเป็น วัสนาบารมีมาก็ได้นะมันมันติดตัวมามีนะเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ยังอยาบคายอยู่เลยพระพุทธเจ้าก็ยังบอกว่ามันเป็นวาสนาของเขามันติดมาตั้งแต่เก่าอ่าพูดหยาบพูดอะไระเรียกคนอื่นเรียกไอ้ถอยไอ้ถอยสเสมอนี่มีมีพระอาหารหันตรูปหนึ่งชื่ออะไรแตม่มาจำไม่ได้แล้วะเรียกชอบเรียกเ่าเรียกไอ้ถอยไอ้ถอยอย่างงี้เป็นต้นนะ นี่ก็มันอาจจะเป็นได้นะท่านก็อาจจะมีวา ส, สนาอย่างนั้นนะก็จะเพิ่งไปตรงโทษกันมากนะแต่ถ้าเผือว่าฝึกฝนมันก็หายได้คนเรานะคุณสี่ศูนย์สามเก้าบอกว่าเห็นด้วยกับคุณตีนอวอคุณชอชอวันไหนพระยาแรงกระพือปีกพาลู ก, ลกออกมาเราก็จะออกมาอ้าวนี่พูดทึกงหมายถึงอะไรนี่ นะี่พูดมาถึงอะไรนะพระยาแรงตอนนี้ก็อยู่ในรังนะไม่ได้ไปไหนนะ อ, อ้าวอาตมาไม่ต่อกเรื่องนีนะ้เขากำลังเคี่ยวค้นกันอาตมาไม่ต่อนะมันมีความเห็นเรื่องการเมืองอยู่อีกหลายอันนะอาตมาก็พอผ่านแปดแปดสามแปดแปดแปดแปดเจ็ด แต่ก่อนฟังธรรมฟังธรรมะทั่วไปลดกิเลสไม่ได้ฟังธรรมะพอครูสามปีปฏิบัติตามคำสอนผมเลิกกินเนื้อสัตว์ไม่ยึดติดรถอาหารถือศีลห้ากินข้าววันละหนึ่งมือ้อมาได้สองปีแล้วตั้งตะบาไว้จะทำต่อไปตลอดชีวิตน่าดีสาธุ คุณสี่ศูนย์สองเจ็บอกว่าวันนี้พ่อครูอธิบายขยายเนื้อความได้ชัดเจนมากๆทํทำให้รู้จักรู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริจ ง, รงยิ่งขึ้นสาธุนะคุณสี่เก้าเจ็ดเก้าบอกว่าคำอธิบายนี้อยากได้ติดต่อได้ที่ไหนฮะผมชอบมากละเอียดลุ่มลึกไม่ค่อยมีใครอธิบายแบบนี้มากนักเห็นมีท่านครูนี่แหละ ขอกลา่าวนมัสยการครับเอ้ยอันนี้อ่านเลยนี่เนาะอันนั้นอันนี้อ่านบอกไปเพราะว่าเห็นว่ามันสําคัญก็เลยอ่านไปก่อนกล่าเดียวนออกบอกไปแล้วนะก็ติดต่ออยังไม่ได้พิมพ์อันนี้ยังไม่ได้พิมพ์คําอธิบายนี้ก็รอไว้ตุลาคมจะเป็นเล่มนะตอนนี้ยังไม่มีตุลาคมเป็นเล่มก็อาจจะไม่ใช่เล่มนี้แต่ก็คล้ายกันนะ่ะเพราะว่าจะเป็นมีคนบอกว่าแบ่งเป็นชื่อเดียวกันสะที่สองเล่ม มันที่จริงมันเรื่องปฏิสบุบะทนี้เหมือนกันน ะ, ะคุณห้าสี่สามหนึ่งบอกว่ า, วาเมื่อเห็นต่างทำไมแปดเจ็ดศูนย์ห้าไม่ไปตั้งสำนักของตนแล้วเผยแพร่แนวคิดของตนแก่คนทั่วไปไม่แน่เนะอาจจะตั้งสำนักอยู่แต่คุณไม่รู้จักนะคุณศูนย์ห้าห้าหกบอกว่าพูดออกมาได้ว่ามังคุดไม่ทุก แสดงว่าไม่รู้เรื่องทุกกริยสัจสักนิดเดียวอาตมาไม่แย่งหรอกคนนี้ศูนยะห้าหน ouais. ี่ไม่แย่งเพราะว่าแกเล่นอย่างนั้นนะแกเล่นตื้นๆถึงเผินอะไร itti, affects, อะไร stand, Horizon, ไปฟังแล้วโอ้ท่วงออกมามันก็เลยไม่ไม่อยากจะเสียเวลาเท่าไหร่ออพระที่บอกไอ้ถอยนี่คือพระปิลินทะวัชชะนะมีคนคนให้ชอบพูดว่าไอ้ถอยไอ้ถอยนี่พระปิลินทะวัชชะ น่าเอาผ่านไปอาทีนี้คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าน่าบอกว่าฝ่ายเอย้ยน่ะฝ่ายเลยนะฟอฟันสระอายอยักษ์ฝายเอย้ยธรรมะมันมันจะคลายคลายขึย้นติดที่สายนี่จยางพระพร ะ, พระปิลินนี่เปล่าเนี่พระปิลินทัพบดปัดชเนี่ยขึ้นต้นเรียกใครก็เรียกไอ้ถอยไ อ, อย้ถออันนี้ก็เลยเรียกอาตมาเรียกฝ่ายเอย้นอยน่ะบ่อยเนาะ เท็มจำนวนนี้บ่อยเรียกอาตมาเรียกไฟเอ้ยดูอยู่เรื่อยเลยนะธรรมะของธรรมะธรรมะนะเขาให้ตัวเองบา ง, งั้นธรรมะเขาให้ตัวเองดูรูปก็ให้ดูรูปตัวเองเดี๋ยวทีกลับไปดูมังคุดนเนี่ยชัดเจนเลยนะอาตมาไปดูมังคุดอาตมาไปดูมระแล้วก็อ่านกิเลส จ, จากการดูมังคุดดูมระนี่เป็นการปฏิบัติของเรา แต่นี่เห็นชัดเลยว่าการปฏิบัติของคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้านี่ไม่ได้ดูเรื่องของกากระทบข้างนอกไปดูมังคุดนี่บอกอะไรกันไปดูค่อยๆ ด, ดูตัวเองดูรูปกด็ดูรูปตัวเองเพราะฉะนั้นเรียนรู้รูปจึงเป็นรูปเฉพาะที่ภายในนะเฉพาะที่ภายในได้รูปภายในถ้าเรียกให้เต็มเขาต้องเรียกว่ารูป รูปกายถ้าข้างนอกเขาเรียกว่ารูปรูปรูปรูปคือรูปข้างนอกแล้วก็กระทบข้างนอกรูปเพราะฉะนั้นถ้าถ้าข้างในก็จะใช้คําว่ารูปกายหรือนามกายอถ้าต่อเนื่องจากข้างนอกแล้วเข้าไปข้างในเรียกว่ารูปกายอถ้าเฉพาะตัดเอาเข้าไปแต่ข้างในเรียกว่านามกายหรือไปอธิบายกันที่ตัวนามก็เรียกว่านามกายอเพราะงั้นอันนี้เนี่ยแสดงชัดเจนว่า มีกายต่างกันนดูรูปแล้วก็ไม่เอาเลยรูปประกายที่สัมผัสข้างนอกเนี่ยไปเป็นรูปองค์ประชุมของรูปที่เกิดในในกายเป็นกายนอกกายสัมผัสแล้วเข้าไปเป็นกายในกายเพรคนคนนี้จะไม่รู้จักเรื่องของกายในกายจะตัดทิ้งเลยก็ไปดูไป ด, ไปดูไปดูรูปรูปเครื่องในหมดเลย ตั้งแต่เรียนธนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะรูปที่เกี่ยวเนื่องอุปาทายรูปเป็นรูปที่เกี่ยวเนื่องนี่ตัดทิ้งเลยเพราะฉะนั้นรูปที่เป็นมหาภูต ร, รูปก็ตัดทิ้งด้วยคนนี้นะมหาภูต ร, รูปก็ตัดทิ้งด้วยเลยนะเห็นเพราะงั้นการเป็นกายเ้าไม่ท่วนไม่เต็ ม, ม, เ, ตมเหมือนกันแหละเพราะว่าท่านตัดทิ้งหมดแล้วนี่ข้างนอกท้านาจากกายในกาย นะ่าจึงเรียกว่าคุณแปดเจ็ศูนย์ห้ากอาตมานี่นานัตกายโยเห็นดูกายที่ต่างกันนะ่ากำหนดสัญญาก็ต่างกันเห็นกายก็ต่างกันนะ่สัญญาก็ต่างกันอยู่ ช, ชัดๆเพราะว่าไปกันหมดสัญญาหรือว่าเฉพาะข้างในข้างนอกไม่กำหนดแต่ที่จริงเราไม่ได้พูดกำหนดสัญญาโดยซ้ำไปเขาบอกสัญญาไม่เกี่ยวสัญญากหนดไม่กาหนดรู้เรื่อยสัญญา สติตั้งหาเป็นตัวกำหนดรู้น่าเกิดพูดไปอัตมากรพจำได้น่ตกลงก็เลยเห็นต่างกันก็ต่างกันด้วยกรรมต่างกันด้วยกรรมด้วยอุทเทศอุทเทศคือข้อธอธิบายคาอธิบายอัตมากรของท่านแปดเจ็ดสหน้าี่ต่างกันแน่นอนน่ต่างกันกรรมจึงปฏิบัติประพฤติอยู่ต่างกันไปหมดน่ก็ชัดน่ชัดยิ่งมันชัดเจนยิ่ง คุณแปดเจ็สุนบอกอีกบอกว่าสัญญาเวทยิตนิโรธของพอทอรอคือคุ้มนรกอเวจีที่พอทอรอจองไว้แล้วโดยยังไม่รู้ตัวนะสัญญาเวทยิตนิโรธนี่คือคุ้มนรกอเวจีที่พอทอรอจองไว้แล้วโดยไม่รู้ตัวเองไม่รู้ตัวก็ความหมายว่าความหมายวางว่าอาตมาเนี่ย อธิบายสัญญาเวทเจติตารีโรดเนี่ยเอามาอธิบายนี่มันทําให้ศาสนาผิดศาสนาพุทธเจ้าเพี้ยนผิดประนัชนาอาตมาเขาตกตกนรกพระพูดอยู่ตรงนี้จะท้ากระจองนรกเอาไว้แล้วตายไปตกนรกแน่นอนอาตมาไม่ได้ อ, อกสันขอนแขวนอะไรเลยนะไม่ได้ตกตกใจอะไรเลยที่ท่านว่าไม่เช่นด้านนะอาตมานี่จริงเรื่องนรกสวรรค์นี่อาตมาจริงเรื่องกรรมเรื่องวิบากจริงบาปบุญจริง อาตมาไม่เล่นไม่เล่นต้องเอาจริงเพราะฉะนั้นอันนี้นี่ถึงแม้ว่าคุณแปดศูนย์แต่เจ็ดศูนย์น่าจะว่าอาตมาวันนี่ทํานรกอาตมาก็ไม่ได้ประหลาดไม่ได้แปลกเลยกระแตมั่นใจว่าอาตมาไม่ได้พาผิดอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเมื่ออาตมาไม่ผิดผู้ที่เห็นต่างอาตมาก็ต้องต้องผิดนแต่เอาเถอะท่านจะใช้คำว่าถูกแล้วเอาว่าอาตมาผิดด้วยเป็อาตมาไม่ได้ติดยึดอยู่ในภาษาวาทะไม่ได้ติดยึดอยู่ใน เพียงชนะเท่านั้นไม่มีปัญหาไดต่อมาคุณแปดเจศห้าบอกว่าพุทธเจ้าก่อนปรินิพานยังต้องเข้าฌานหนึ่งออกฌานหนึ่งเข้าฌานสองออกฌานสองเข้าฌานสามออกฌานสามเข้าฌานสี่ออกฌานสี่เข้าฌานห้าออกฌานห้าเข้าฌานหกออกฌานห็เจดปดออกฌานแปดเข้าสัญญาเวทีจิตนิโรธออกนิโรธลงฌานแปด ออกฌาน 8, ดลงฌานเจ็ดห 2, 1้าสี่สามสองหนึ่งเสร็จแล้วขึ้นไปใหม่คือเข้าฌานสองสามสี่จึงจากนี้ดับหายไปวงเล็บเท่ากับปริิา น, นร า, ร า, รานในระหว่างรูปฌานปริานในระหว่างรูปฌานคือฌานที่สี่กับรูปฌานคืออากาศานณจายตนะซึ่งพระอนุรุษตามดูทุกขณะจิตของพระพุทธเจ้า แต่เดรัทธีขีโมพอทรบบอกตนอยู่ในนิโรธแล้วโดยไม่ต้องเข้านิโรธอีกเก่งกว่าพระพุทธเจ้าซะอีกนีนก่เรียกว่าแดกดันอาตมาว่าเก่งกว่าพุทธเจ้าถ้าอาตม า, าเก่งกว่าพพุทธเจ้าจริงคุณก็พูดผิดเพราะอาตม า, ายังไม่เก่งกว่าพระพุทธเจ้า เพราะงั้นถ้าเปว่าอาตมาไม่ได้เก่งกว่าพระเจ้าจริงอาตมาก็รู้อยู่ว่าอาตมาไม่ได้เก่งกว่าพระเจ้าและจริงๆคุณก็รู้อยู่ว่าอาตมาไม่ได้เก่งกว่าพระเจ้าเพราะคำพูดคําว่าเก่งกว่าพระพุทธเจ้าซะอีกของคุณแปดเจ็ดศูนหน้าคือคําแดกดันะคนพูดแดกดันคนอื่นภาษาแดกดันเนี่ยอาตมาอธิบายภาษาสูุฟังเป็นภาษาไทยนะไม่ได้ไปว่าอะไรใครเขาหรอกก็ กบคุณแปดเจษสุนาแดกดันอาตมากออธิบายความแดกดันในฟังว่าลักษณะที่รู้ทั้งรู้คุณบดแปดเจษสุนารู้ชะ น, นั้นว่าอาตมาไม่ได้เก่งกว่าพุทธเจ้าใช่ไหมเพราะเมื่อใช้คําว่าแอนเก่งกว่าพุทธเจ้าซะอีกเป็นคําแดกดันใช่ไหอพอรู้ทั้งรู้เลยว่าอาตมาไม่ใช่แต่พูดอย่างนี้ก็แสดงว่าแดกดั น, นใช่ไหมอันนี้อาตมาขออธิบายเป็นเป็นความรู้นะมีความรู้ของอาตมา ต้องต่างกันแน่กับของคุนแปดเจ็สุนาในเรื่องของฌานฟังเรื่องฌานให้ดีอัตมาจะอธิบายเรื่องฌานนี่นะฌานของคนที่เข้าใจเรื่องฌานนี่มันมีฌานอยู่สองแบบฌานแบบหนึ่งเรียกว่าฌานที่ทำเจโตสมาธิฌานอีกแบบหนึ่งเรียกว่าฌานที่ทำโลกุตระฌานผู้ที่ทำ โลกุตระนั้นบางคนก็ทําฌานแบบนั้นไม่ได้ฌานกับคำนี้อาตมาขออนุโลมอนุโลมว่าฌานนี่คือการนั่งสมาธินั่งสมาธิาธหรือนั่งฌานที่นั่งเข้าไปสกัดจิตในภวังน่าแล้วก็ได้สภาพเจโตสมัทได้เจโตสมถนะนนั้นไม่ได้โลกุตระหรอกเพราะว่า นั่งเข้าไปในผวังปฏิบัติแต่ในผวังตัดกายข้างนอกที่อาตมาพูดไปตอนต้นแล้วเนี่ยคนนี้ไม่มีวิโมกขแปดที่ต้องสัมผัสวิโมกขแปดด้วยกายเขาไม่ได้สัมผัสวิโมกขแปดด้วยกายทั้งปีกายนี่มีทั้งรูปกายและนามกายครบเพราะงั้นด้วยกายนี่เขาไม่ได้ครบเพราะเขาไม่มีวิโมกข้อที่ข้อที่หนึ่งเขาก็ยังไม่รู้รูปที่ชัดเจนครบทั้งนอกและในอ่ารูปที่จะต้องรูปและเขาเป็นรูปกาย ทั้งในและนอกในข้อที่สองวิโมกแปรข้อที่สองนะซึ่งอัจชตังอรูปสัญญีเจโตพระหิทธารูปานิปัสติกนะก็ไม่ได้เห็นทั้งรูปภายนอกพระหิทธารูปานิและทั้งภายในอจชตังอรูปสัญญีซึ่งจะใช้สัญญาเนี่ยกำหนดรู้ทั้งภายนอกภายในในวิโมกข้อที่สองเขาจะไม่เข้าใจเลยสภาวะวิวโมกข้อที่สองคืออะไรขออภัยนะอาตมาใช้คําว่าเขานี่ไม่เป็นหมายถึง คุณแปดเจ็ดศูนห้าเท่านั้นใครก็ตามที่ ท, ที่ที่เข้าใจแบบนี้อที่ทําอย่างนี้ไม่ได้ก็คือทําวิโมกไม่ได้ปฏิบัติวิโมกไม่เป็นเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติวิโมกไม่เป็นไม่ถูกต้องเขาก็ไม่ได้วิโมกแปดเพราะฉะนั้นทําวิโมกแปดด้วยกายสัมผัสวิโมกแปดด้วยกายคือต้องมีการสัมผัสอยู่ครบทั้งทวาลหก สัมผัสนี่มีทั้งพระวานหลวงและพุทธเจ้าตัดตลอดไปล้วท่านไม่ทิ้งหรอกไม่ได้ละทิ้งการสัมผัสตะวนันนอกตะวันในไม่ได้ไม่ได้ทิ้งแต่คนที่หลงผิดไปยึดเอาแต่ข้างในแล้วก็เลยเอาแต่ข้างในเท่านั้นนะจะเป็นเช่นนั้นอทีนี้ลองลองลองลอ ง, ล อ, ง, ล อ, งอธิบายดูนิดหนึง่งจะอธิบายไม่ละเอียดเท่าไรหร่หรอกนะค่อยดูละเอียดอีกทีหนึง่งผู้ที่ทําฌานหรือทําสมาธิแม้แต่ทานิโรธก็ตามจะทําในพระวัง แล้วก็ไปเข้าใจว่าฌานเป็นอย่างทัตในผวังแล้วก็สมาธิก็ในผวังนิโรธก็ในผวังอยู่ในภพข้างในเป็นอย่างนั้นนะก็จึงมีการออกการเข้าออกทั้งฌานออกทั้งสมาธิออกทั้งนิโรธแล้วก็เข้าทั้งฌานใหม่ออกฉันใหม่แล้วก็สมาธิก็เข้าสมาธิแล้วก็ออกสมาธินิโรธก็เข้าเข้านิโรธแล้วก็ออกนิโรธอ่านั่นนั่นคือ แบบของที่มิจฉาทิฐิก็จะเป็นอย่างนั้นเสมอ น, นี่ก็คือลักษณะที่อาตมาก็บอกแล้วว่าทำอย่างนั้นอาตมาก็รู้เพราะว่าพระพุทธเจ้ายืนยันไม่ชัดว่าบุคคลสี่อย่างบุคคลสี่แบบผู้ที่มีแต่เจโตสมถะก็จะได้แต่เจโตสมถะดังว่านี้แน่นอ น, นได้แต่เจโตสมถะก็จะได้แต่อยู่ในภวังในภพ แล้วก็ต้องเข้าออ ก, ออกอย่างนี้แหละนะก็เข้าออกอยู่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพูดนี้ก็จึงไม่สามารถที่จะได้โลกุตระบุคคลประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองมีโลกุตระไม่มีเจโตสมถัมีโลกุตระนี่เป็นอรหันต์ได้เช่นพวกปัญญาวิมุตต์นะปัญญาวิมุตต์ไม่ต้องไปพูดว่าจะต้องสัมผัสด้วยกายเพราะว่าปฏิบัติสมาธิฐิแล้วก็ต้องสัมผัสสัมผัสได้ถูกต้องเป็นมิโมก แปดถูกต้องถ้าปฏิสมาธิถิแล้วเพราะฉะนั้นปัญญาวิมุตติก็จากธรรมานุสารียปตะทิฏฐิปตะพิฏิปตะปตะก็คือการบรรลุการเข้าถึงด้วยความเห็นทิมเบียสมาธิถิติคือสมาติถิติปตะปัตะกะบรรลุบรรลุตามทิฐิที่ตัวเองเรียนมาแล้วธรรมานุสารีก็ต้องสมาธิถิติแล้วแต่ตนสายธรรมะถ้าสายที่ยังไม่สมาติถิติก็สายศรัทธา แต่สายปัญญาไม่เรียปัญญานี่เพราะว่ามันไม่ได้มีปัญญารู้สัทธานุสรีก็ต้องมีมปัญญาเพราะถ้าปัญญายังไม่ครบครันก็พยายามที่จะเป็นให้ได้โสดาสกิทาให้ได้เพราะฉะนั้นท่านก็อธิบายว่าเอาเถอะสายสัทธาก็พยายามพากเพียรอธิบายแต่มันไม่ครบจึงสุดท้ายถ้าปฏิบัติอยู่อย่างนั้นสายเนี่ยจนกระทั่งถึงขั้นที่สามการกายสกิีเนี่ยก็จะต้อง สัมผัสวิโมกข์แปดด้วยกายเห็นด้วยปัญญายิ่งจึงจะสามารถบรรลุเป็นอรหันต์เป็นอุปโธภาเครืองมุดได้ส่วนสายธรรมานุสารีนั้นไม่ต้องถึงไม่ต้องไปพูดว่าจะต้องสัมผัสวิโมกข์แปดด้วยกายเพราะได้ไปถึงสามาธิจิตไปถึงต้นพอธรรมานุสารีทิฏฐิปะตะปัญญาวิมุตต์ก็จบเป็นอรหันต์ได้นะทีนี้ผู้ที่สามารถได้ตั้งสองอย่าง บุคคลที่สามได้ทั้งเจโตสมถะได้ทั้งโลกุตระเช่นอาตมาขออภัยอาตมาได้ทั้งสองอย่างนะเจโตสมถะก็ได้ออธิบายไปแล้วฌานแบบฤษีสมาธิแบบฤษีอะไรอาตมาก็อธิบายแม้แต่ในระบกับฤษีกําลังอธิบายละเอียดอยู่เนี่ยอธิบายได้ละเอียดของที่ไม่ไม่ไม่ไม่ถูกก็อธิบายอยู่นี่แยกมาเก้าข้อไปเมื่อวานนี้ก็พูดไปแล้วยังไม่จบทีเดียวเดี๋ยวจะทวนอีก นะกนะ็อย่างที่ไม่ถูกต้องอย่างที่ถูกต้องก็มีจริงนะอย่างที่ถูกต้องอาจารยอธิบายทั้งส อ, งอย่างนะเพื่อที่จะให้ชัดเจนนะรา่างผู้ที่จิตได้ทั้งเจโตสมทุทตะได้ทั้งโลคุตระจึงทําฌานหลับตาได้และทําได้เป็นอุปการะทําได้เป็นอุปการะเป็นประโยชน์เสื้อธรมาก็อธิบายแล้วว่าถ้านั่งหลับตานี่มีผลมี มีสิ่งที่อาศัยในการนั่งรับตาเป็นอุปการะได้ถ้าเอาสาัยพูดก็เอาแท่งสามอย่างแต่ถ้าจริงๆมันได้ทึ้งสี่อย่างหนึ่งเป็นสุขมวิหารธรรมนั่งเข้าไปแล้วก็สงบพักสบายนะะถ้าผู้ทาเป็นก็ทำได้ก็ได้พักสบายสุขมวิหารธรรมสงบสองเป็นการศึกษาะจะศึกษาสัจธรรมศึกษาจิตศึกษา เจตสิกอะไรของเราก็อ่านไปหรือเอาเป็นเตวิโชเลยอันที่สามคือะระลึกนันพอสงบจิตสงบแล้วนี่ก็ใช้พระพุทธเจ้าก็ตรัสให้บ่อยไปว่ า, าสุดที่สุทั้งหลายองพยายามทำเ ต, เตวิชโชพรอัตมาก็ย้ำกับพวกเราไปนั่งสมาธินี่แหละนั่งแบบหลับตานี่แหละแล้วก็ะระลึกบุพนิวาสานุสติญาณซึ่งเป็นรมาธิฐิก็ะระลึกถึงสิ่งที่เป็นอดีต น่มันมีความเกิดความดับอย่างไรในอดีตที่เราสัมผัสสัพพันมาในชีวิตอะไรเกิดอะไรดับโดยเฉพาะตรวจสอบทางปรมัตธรรมก็จะรู้ว่าเราได้พ้นหรือไม่ได้พ้นอะไรอะไรแม้เราจะระลึกข้ามชาติบุเพณิวาสนานุสติยานข้ามชาติจากชาติร่างกายชาตินี้ในขันนี้ชาตินี้ไม่ได้ก็บุเพนิวาสนานุสติยานในสิ่งที่เกิดที่ดับของทางจิตของสัตว์อุปปาติกะ รพระพผู้สมาธิฐิก็ใช้ประโยชน์เตวิชโชบรรลุธรรมไม่ได้หมายความว่าไม่มีวิชา8วิชา8ดมีบุพเพนิวาสารนุสตยานจตุปปาตยานอสวรรคย า, ยานด้วยสาข้อหลังข้อต้นอิปาาัสสัญญาณมโนมยิทธิอิทธิพิทยานนักรโสตทิเจโตปริยญาณนิห่าอีกสามก็บุพเพนิวาสารนุสตยานจตุปปาตยานอสวรรคย า, ยาน น, านี่ก็คือวิชาทั้ง8ด ต้องใช้เรามีครบปุตติสามาธิเรามีตัง้งแปดวิชานี่แหละแต่ท่านที่ศึกษาไม่ค่อยสมาธิฐิตีทิ้งเลยวิชาแปดถือเป็นอิทธิปาฏิหาริาเทศนาปาฏิหารแล้วก็ไปเลือกเอาเอาวิปัสสนาญาณเอาอาสวัคคายานเอาญานอะไรบ้างก็แล้วแต่เลือกเอาอ่าก็แล้วแต่อาจารย์ไหนโบราณอาจารย์ไหนจะรวบรวมเอาเอาบวันนี้ิปัญญาใช้เท่านั้นเท่านี้ซึ่งที่จริง เป็นวิชาทั้งแปดเป็นวิชาของพุทธซึ่งเป็นสามัญญผลพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในชัดในสามัญญผลพระตบีดอกเล่นกามีวิชาทั้งแปดในครบในสามัญญผลนะเป็นผลของความเป็นสมณะของผู้ปฏิบัติสามัญนี่แหละป็นปกติสามัญไม่ได้เป็นเรื่องลึกลึกลับเป็นเรื่องสามัญที่รู้กันได้ทั่วสามัญคือรู้กันได้ทั่วเป็นรู้ทั่วไปเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจหรือสามัญนี่แปลว่าเป็นภูมิของสมณะเป็นผู้สงบ น่าเป็นการบรรลุสามัญสามัญญผลผลของผู้เป็นสมณะปฏิบัติได้ไปตามลำดับเป็นโซดาธะกิทานาคาหันนะเพราะงั้นผู้ที่เข้าใจส่วนก็สี่เมื่อกี้นี่บุคคลสี่ไม่ต้องพูดเพราะว่าไม่ได้อะไรสักอย่าง <c oughs> ไม่เป็นอะไระ <c oughs> <c oughs> คุณแปดเจ็ดศูน้าเนี่ยนะของคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าก็ได้ เจตัวสมมติโล ก, กุตระไม่ได้มันจึงคานแย่งกันตลอดเวลามันต้องไม่ได้เพราะมิโมกข้อที่สองยังไม่ได้เลยที่อาตมายืนยัน <c oughs> ข้อที่หนึ่งก็รู้รูปอย่างสัญญาอาตมาถือว่ายังแปดเจ็ดศูนย์ห้าขออภัยนะที่พูดตรงท่านยังกำหนดสัญญากำหนดเรื่องของรูปของนามยังไม่ชัด โดยเฉพาะเรื่องของกายยังเข้าใจคำว่ากายกายโยนี่ยังไม่ค่อยชัดจึงต่างอาตมาแน่นานตะกายโยมีกายต่างกันแน่นอนเพราะในผู้ที่ปฏิบัติยังถูกต้องที่นี่มาถวนนิดนึงเอาตรงนี้เลยเอาคำว่าฌานฌานหนึ่งสองสามสี่ไปถึงฌานแปดฌานเก้าไปจนที่ภูมกีนี้ ว่าพระอนุรนุตในติดตามความเป็นฌานก็เป็นฌานในพระวังอาตมาไม่ได้งงไม่ได้สงสัยอะไรพระพุทธเจ้าท่านจะตรวจสอบฌานในนั้นตอนก่อนจะปรินิพานนี่แหละมันยืนยันชัดเจนว่าก็ถ้าเผื่อว่านิโรธมันอยู่ที่ข้อที่เก้าสัญญาเวทีเจตนโรธทำไมท่านไม่ปรินิพานตรงที่นุ่งนั้นละ่ะ ทำไมธรรมาปรินิพพานในฌานที่สี่ล่ะเห็นไหมเข้าใจไหมอ่า <_ d> um> เพราะฉะนั้นจึงเข้าใจความเป็นนิโรธไม่ได้อ่านิโรธก็ไปอยู่ที่ตัวที่แปดตัวที่เก้าไม่ใช่ตัวที่แปดตัวที่เก้าเขา อ, อนุปภุมิหารฌานที่ 4, 1, 2, 3, สี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็อนุปฌานอีกสี่เป็นแปดแล้วก็ น, นี้สัญญาเวทีนิโรธอีกหนึ่งนุอนุปภพมิหารเก้า แล้วนิโรธก็ไปเอาว่านิโรธตรงนั้นเพ ร, ะพรเาะฉะนั้นพระเจ้าจะปฏิพันธ์ก็ต้องปริิพานกับนิโรธเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่ได้ปริิพานกับนิโรธถ้าปฏิพานก็ต้องนิโรธสินิโรธนิพานก็ต้องดับหมดท่านดับที่ปลายฌานสี่รูปฌานสี่ท่านตรวจเท่านั้นอนตามาไม่ได้งงไม่ได้สงสัยเลยแล้วก็ชัดเจนเลยว่าเนี่ยเข้าใจฌานยังไม่สมบูรณ์ รู้จักความเป็นฌานแม้แต่ในฌานของเจโตสมุทตะฌานของจิตที่อยู่ในภวังก็ยังเข้าใจไม่ครบจริงๆตอบอาตมาไม่ได้หรอกว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงมีปรินิพพานที่ฌานที่สี่เพระาะฌานที่สี่เป็นฌานฐานสงบแล้วอาตมาบอกแล้วว่าอุเบคาเป็นฐานนิพพาน เพราะฉั้นปฏิบัติฐานดื่มตาเนี่ยพ อ, อได้ฐานนิพานนี่คุณก็เริ่มต้นฐานนิพานแล้วคุณก็สร้างต่อไปอีกสิตรวจสอบไปสั่งสมไปด้วยอรูปฌานที่สี่ก็เท่ากับทํานอเนินชาพิสังขารไปสั่งสมผลไปเรื่อยยิ่งเป็นพระเจ้าแล้วท่านจะไปต้องทาไมล่ะก็ท่าน ไ, ได้ครบทุกอย่างแล้วนะเพราะฉะนั้นนิโรธมันก็ถึงสมบูรณ์แหละเรื่องของอรูปฌานการตรวจสอบความ บอกพร่องท่านผู้ที่จะปรินิพานพระอาหารหันตุกองค์ปรินิพานที่ฌานที่ทสี่ถ้าทําเจโตสมถะถ้าทาเจโตสมถะไม่ทําเจตโตสมถะก็ตายโดยนิโรธพระอาหารหันตก็ตายโดยนิโรธตายโดยนิโรธตายอย่างไรตายถ้าพระอาหารหันต์ที่ตายโดยไม่ตั้งจิตต่อไม่มีเป็น เป็นการตายอย่างอปปนิหิตตไม่ตั้งพบต่อไม่ตั้งมโนเันเจตนาว่าจะต่อบพบภูมิต่อพุทธภูมิเป็นต้นท่านก็เปรยนิพานไปเลยนะก็เป็นนิโรธโดยสุญญะะสุญญะนิพานอนิมิตตนิพานและอปปนิหิตตนิพานนิพานไปโดยไม่มีอะไรเลยไม่ตั้งจิตต่อ สามอย่างนี้ในสามอย่างนี้เนี่ยมีได้แม้แต่เป็นเป็นเพราะฉะนั้นในการอาศัยท่านเรียกว่าจะมีสุญญะมีไม่ใช่มีสุญญะมีสัญญาเวทิจิตตนิโรธในธรรมทินนาภิกษุณีอธิบายให้แกอุบาสุก อ, อุบาสกวิสาขา อดีตสามีคร้นมาศึกษาด้วยให้ฟังแล้ววิสาขะเนี่ยวิสาขะอุบาสกเนี่ยยังถามถามตอนหนึ่งอาตมากำลังเขียนไว้อยู่อยู่นี่เขียนน ล, ล่ะอ่าะวิสาขาก็ถามว่าพรสษะเท่าไหร่สำหรับผู้ที่ได้สัญญาเบทยิแต่นิโรธแล้วมีผัรษานะพรสษาเท่าไหร่นะท่าน ธรรมธินาก็อธิบายว่าปัสสะสามมีผัสสะคือสุญญะผัสโซสุญญะผัสโซคือผัสสะที่เป็นว่างรู้สึกว่างสองอันนี้ไม่ใช่ต้องเอาที่ในเอาวิโมกมาใส่ทุกทีเลยไม่ใช่วิโมกผัสสะสามเราอยู่ในพระเจริญปิโรเล่มเท่าไหร่เราเขียนไว้แล้วมันยังไม่ได้พูดถึงจะอธิบายนี่มันยังไม่ถึงอธิบายยังไม่ถึงก็เลย ยังไม่ได้นํามาใช้สักทีหนึ่งตมาก็เลยพูดถึงอยู่หลายทีแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ถึงทีที่จะเอามาอ้านทีหนึ่งอยู่ในไม่ใช่อันนี้วิโมกอันนี้มันวิโมกอันนั้นมันผัสสะเลยพระบาลีก็บอกชัดเจนเลยไม่ใช่สุเนเดตาวิโมกไม่ใช่อันนี้มิตราวิโมกแต่มันคล้ายกันอปปานิเหตตาวิโมกมันไม่ใช่ไม่ใช่วิโมกมันผัสสะเลยพระบาลีก็บอกผัสสะ ไม่ใช่วิเวกเป็นผัสสะไงมีผัสสะสุญญาตผัสโซแล้วก็อนิมิตตผัสโซแล้วก็อัปปนิหิตตาผัสโซผัสสะเลยไม่ใช่วิโมกไม่ใช่วิเวกผัสโซผัสสะเลยสามอันเลยแล้วในพระเตพยโดงในะท่านก็ยืนยันว่ารู้สึกว่าว่างบ่งเล็บไว้ถ้าสุญญาตผัสโซเนี่ยนะบ่งเล็บไว้ว่างรู้สึกว่าง อันที่สองอปนิหิตะผัดโซรู้สึกว่าไม่มีนิมิตไม่มีอะไรไม่มีนิมิตอะไรเลยนี่คืออยู่ได้นิโรธแล้วนะสุญตสัญญาเวทที่สุญติโรธแล้วไม่มีนิมิตสามถ้าสุญตนิโรธท้านิโรธก็อัปนิหิตะไม่ตั้งจิตไม่ตั้งอะไรปล่อยเลยจิตไม่ตัดที่จริงอปนิหิตะเนี่ยอปนิหิตะแปลว่าตั้ง ติดตั้งอยู่ก็ได้แปลว่าปรารถนาก็ได้นะแปลว่าความปรารถนาก็ได้ออันนี้แหละอันนี้แหละผัสสะสามอย่างนี่แหละนะสุญญผัสสะอนิมิตตผัสสะท่านแปลทับศักดิ์เหมือนกับอบนิหิตผัสสะสามสามัพพศะย่อมถูกต้องถูกต้องก็คือสัมผัสสัมผัสย่อมถูกต้องภิกษุผู้ออกจากออกนะผู้ออกจากสุญญสัญญาเวทิยะตาเนโรสมาบัติ ฟังให้ดีนะไม่ใช่อยู่ในเข้าไปอยู่ในสมาบัติที่เป็นสุญญตาวิโมกนะก็ไม่ใช่เดีเข้าไปอยู่ในสัญญาเวทชีตันนิโรธนะออกนะใช้คําว่าออกจากนะคําว่าวุตถิวุตถวัตโธวุตถะออกมาแล้วได้แล้วออกแล้วเป็นพาสเพอร์เฟคเทนแล้วเป็นนิโรธที่ได้เสร็จแล้วแล้วจึงมีผัสสะอยู่และผัสสะนั้นอารมณ์อย่างไรก็คืออารมณ์หนึ่งศูนย์ สุญญาตาสองรู้สึกไม่มีนิมิตถ้าเป็นนิโรธสามไม่ตั้งจิตอนปนิหิตต์เห็นไหมนี่คือยืญญนยันท่านธรรมทินนาอธิบายให้วิสาขาอุบาสกฟังแล้วก็ถ้า อ, อธิบายอะเสร็จบอกว่าถ้าวิสาขายั ง, ย, งยังไม่แน่ใจยังไม่ชัดเจนก็ไปถามพระพุทธเจ้าเอาเอง วิสาขาเข้าไปวิส า, า, าสเขาประสงค์เขาไปถามพระพุทธเจ้าก็อธิบายตามที่ทิทำธรรมทินนาภิกษุณีอธิบายฟังเหมือนกันเลยใ น, นพระไตรปอฎก็จะลอกไปหมดเลยนี่อะไรจะพูดกับธรรมทินนาภิกษุณีอย่างนี้อ่าท่านมีอะไรที่จะอะขยายความหรือจะตอบอะไรให้อ อ, ะะ อ, อกกระหม่อมอี ก, กอะไรก็อพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าเราจะตอบ นะแต่พยกณ์ตอบให้เธอเราก็พยกณ์เหมือนกันกับธรรมทินนาพูดมาแล้วทุกอย่างจบคือสํานองคําตอบของท่านธรรมทินนาเลยว่าเหมือนกันนถูกต้องทุกอย่างแล้วไม่ต้องมีอะไรอีกเพราะว่ามันถึงที่จบแล้วแม้ตอนที่จบยังไปถามต่อไปอีกเลยอะไรละประเด็นอะไรประเด็นสุดท้ายอัตมาก็ลืมละประเด็นสุดท้ายเลยนี่ประเด็นที่ว่าอะไรถามอะไรอีก ที่ทธรรมธินาโกร ย, ยังแย้งบอกว่าท่านล่วงเลยความล่วงเลยความปัญหาเรือปัญญาเนี่ยที่ในพระเตวิโดเขาจะพิมพ์ผิดปัญหากับปัญญาที่อาตมาอ่านจากพระเตวิโดสองเล่มนะมันเป็นปัญหาแต่มันมีเล่มหนึ่งมันเป็นปัญญาพระเตวิโดเล่มหนึ่งเป็นปัญญาอาตมาก็ไปได้พระติวิโดเล่มปัญญาก็เลยเอาอาธิปัญญามาอ่านมาอาธิบายทีนี้ไปดูทั้งหมดแล้วอ้าวผิดจริงๆด้วย เขาจะไปบอกเรื น, นี้ผิดมันไม่ใช่ปัญญาปัญหาท่านล่วงเลยปัญหาไปแล้วอ่ะทวงวิสาขะนะมันจบแล้วมันมันหมดปัญหาแล้วคุณยังมาหาปัญหาอี ก, กว่าล่วงเลยปัญหาไปเอออเาปัญหานี้มาตอบได้ยังไงมันมันจบแล้วมันที่สุดแล้วอะไรี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วในเรื่องของฌานเนี่ยเรื่องสมาธิเรื่องนิโรธเนี่ยยังเห็นต่างกัน แน่นอนต้องต่างกันเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังเห็นต่างอย่างนี้อาตมาก็ขอยืนยันว่าที่ท่านอธิบายฌานก็ดีสมาธิก็ดีนิโรธก็ดีมันยังเป็นเจโตสมถะอยู่เท่านั้นยังไม่เป็นโลกุตระนะศึกษาดีๆความเห็นต่างนะอาตมาไม่ได้เถียงนะไม่ได้เถียงไม่ได้แย่งกันนะไม่ได้ถกเถียงนะจะเอาชนะขาคาท่านจะบอกท่านถูกว่าอาตมาผิดท่านก็บ้าอยู่แล้วว่าอาตมาโง่โง่งตลอดกาลนะไม่มีปัญหาอะไรเอาต่อของคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าบอกว่า อ่าแปดเจตุนาบอกว่ากิเลสหนาะอย่างพอทรอยิ่งเรียนพระธรรมปดมากกิเลสก็ยิ่งหนาะเพราะแปลตามใจชอบอแน่นอนปัตมาก็ต้องแปลตามใจชอบสิไม่แปลตามใจชังแน่นอนปาตตมาแปลตามใจชอบเล็ดขาดเลยไม่แปลตามใจชังเล็ดขาดน่แปลตามใจชอบแล้วก็ตมาก็เห็นชัดเจนแล้วก็พยายามขยายความหรือแปลให้ชัด ไม่ให้ผิดอัตมาต้องรับผิดชอบความความผิดนี่มันเป็นบาปจริงๆต้องระมัดระวังเรื่องธรร ม, มะพระเจ้าไม่ใช่เรื่องธรรมดาต่อมาคุณแปดเจ็ดศูนห้าบอกว่าแมวจะยังไงก็มีลิ้วล้อคอยหนุนนแมวไปนู่นแมวจะยังไงก็มีลิวลออล้วล้อคอยหนุนโพธิรัตน์เป็นมารร้ายศาสนาก็มีลิ้วล้อคอยหนุนวางอันเทียบไปเลย ต่อมาอีกอันหนึ่งว่า8705บอกว่าวันนี้เห็นชัดแล้วว่าพอทรอกับแมวมีสัญญาระดับเดียวกันคือเล็ดอิดนบะีะบอกเล็ดอิดบีอิดีเลยนะอา้าวมาบ้าไปต่อมาอีกบอกอีก8705บอกว่าสารีบุตรเท่ากับของจริงเพราะไม่กลัวกระบองยักษ์นะสารีบุตรของจริงเพราะไม่กลัวกระบองยักษ์ แต่โพธิรักขี่โม้กลับกลัวไม้หน้าสามเอือน่ยนะอัตมาเอาอธิบายไปแล้วนะสูตรนั้นก็เอามาอธิบายแล้วว่ามันเป็นปุกราธิฏฐานความจริงแล้วมันเป็นเรื่องธรรมาธิฏธรรมะธรรมาธิฏฐานสองคนนั่นจิตเขาเป็นยักษ์เขาไม่ได้มาเอากระบองมาตีกบาลพระสารีบุตรหรอกไม่ได้เอากระบองมาตีกบาลพระสารีบุตรเลยจริงๆในนั้นก็ไม่บอก ในนั้นบอกได้ว่าแค่ความคิดของเขาเขาก็ตกนรกแล้วในนั้นก็พูดไม่ชติในสูตรนั้นน่ะยืนยันไวช้ชัดว่าเขาก็เร่าร้อนตกนรกคนที่เขาคิดทำลายทางความคิดทำลายแก่ภาษาธิบุตรเนี่ยไม่ได้ไปเอากระบองตีกระบาลอะไรเลยเห็นไหมว่าการยึดถือกายของคุณแปดเจศูนย์ห้านั้นก็ไปยึดออกกาย ของเป็นกายของถ้าเผือว่าพูดถึงวิญญาณที่ว่านี้อ้าวเมื่อกี้นี่ไปไหนแล้วล่ะหนึ่งแผน่นอ๋อพระพิณไปเอากายนี่เป็นตัวตนรูปร่างข้างนอกเลยนี่คือมิจฉาทิถีเห็นไหมมันจะมองไม่ชัดเลยยืนยันว่าเป็นตัวบุคคลเอากระบองมาตีกระบาลมาตีศรีษรษะประสิทธสาริบุตรเลยแล้วไปยืนยันว่าจะมี สองยักษ์เป็นตัวตนเลยนะมะติความจริงไม่ใช่เป็นความคิดเท่านั้นแล้วเขาก็เร่ารอนเขาก็ตกนรกไปแล้วอันนี้แหละมันเป็นเรื่องที่อธิบายยากท่านเข้าใจกันท่านพูดกันท่านตรัสด้วยกันอย่างพระโมคคัลลากับพระสารีบุตรคุยกันเรื่องเนี้นะซึ่งอาตมาอธิบายหมดแล้วมันมีสอ ง, สองเดระ ถ, ถีอ่ากจิตใจเป็นยักษ์มา คนนึงก็บอกว่ายาเลย อ, อย่าไปทําสั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นอีกคนนึงบอกจะตีจะตีแล้วเขาก็ร้อนร้อนตกนรกก็ผ่านไปเท่านั้นเองนะอ่ า, อาทีนี้ต่อมาพระสารีบุตรเพราะไม่กลัวยากเลยก็อธิบายแถมเท่านั้นอีกอันหนึ่งแปดจากชุห้าบอกว่าบองตรงตงนะบองตรงบองตรงนี่จะอะไรมันควรคานี้คนจะต้องใช้ทั้งสองคำอาตมาไม่รู้เรื่องน้ำแปลว่าอะไรสะแสลงพวกนี้บอง ต้องบอกตรงตรอบ่งตรงนี่บอกตรงตรงอ้าวบองตรงงบองตรงบองตรงธรรมะของเดียถีมีแต่เดียถีด้วยกันเท่านั้นถึงจะฟังรู้เรื่องเขากะบอกว่าธรรมะของเดียถีนี่มีแต่เดียถีเท่านั้นถึงจะฟังรู้เรื่องว่างั้นอ้าวก็ดีพอจะฟังนี้ว่าเดียถีเดียถีแปลว่าผู้ที่เห็นความคำสอนของเจ้าเพียนไป ต่างไปจากของพรุทธเจ้านี่เลยว่าเดียร์ทีหรือผู้ที่เห็นต่างกันคนลยอย่างตติ ต, ติธยะเนี่ยอตติติธยะเป็นผู้ที่เห็นต่างเห็นเห็นความเห็นที่ต่างกันจากทิษณีต่างๆของธรรมะนี่แหละนอ <c oughs> อ่ <c oughs> อ้าทีนี้ของเมื่อวานนี้เอสเมดเมื่อวานสัปดาที่สาม เจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่บอกว่าฟังจดจ่อสามวันฟังจดจ่อสามวันบวกรีรันเข้าใจนิโรธแบบพุทธเก้าสิบเอร์เซนตอัพอบอกเข้าใจนิโรธแบบพุทธเก้าสิบอซนตอัพบอกติดต่อกันสามวัน ฟ, ฟังรีรันด้วยดีภาคเปลี่ยนได้ถึงเก้านสะิบอร์เซนดีมากกำลังล้างฤาษีตัวเองบมือไงน้านคะุณเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่ สี่เก้าเจเก้าบอกว่ารู้แต่ยังไม่ได้ละรู้แต่ยังไม่ได้ละยังไงมันก็ยังต้องรู้แต่ถ้าไม่ต้องรู้มันก็ไม่ต้องละถ้าไม่ต้องรู้มันก็ไม่ต้องละ น, นะเนาะเพราะไม่มีอะไรให้รู้มันจึงไม่มีอะไรที่จะต้องไปละคิดจะ น, นี้ถูกต้องไม่ครับปกครูถูกแล้วถูกแล้วดีแล้วละ่ะก็พยายามรู้ไปแล้วกันเจสามศนย์ 8, บอกว่าสัมผัสแล้วรู้แต่ช้า สัมผัสแล้วรู้แต่ช้าไม่ทันการเพียรอยู่ทุกวันแต่ไม่ค่อยทันค่ ะ, ะคนนี้เป็นผู้หญิงคุณเจ็ดสามศูนย์แปดบอกว่าสแสดงว่าถ้ายังไม่นิโรธอริยสัตว์สแสดงว่าถ้ายังไม่นิโรธอริยสัตว์ก็ยังสัญญาวิปลาสอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วถ้ายังไม่นิโรธอริยสัตว์เพราะงั้นถ้าปฏิบัติเป็นสมาธิ อริยสัจ์นโรกอริยสัจก็จึงจะใช้สัญญาถูกตรงไม่วิดพลาดไม่คลาดเคลื่อนไปนะทีนี้คุณแปดเจ็ดูนย์ห้ามังละพอทรเริ่มมั่นใจฟังดีๆนะยาวหน่อยอันนี้ยาวนิดหนึ่งไม่ยาวเท่าแลว้วครึ่งหน้าครึ่งหน้าเอซีเขามารีบเรียงเอาเขามาเรียงเอาไว้ครึ่งหน้าเอซ พอทารอเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าเทวดาจะมีรูปกายอยู่จริงในองเลบเหมือนดังเราว่าเหมือนดังเราว่ามีรูปกายตอนนี้ใช้คําว่ารูปกายยะนะมีรูปกายอยู่จริงไม่ใช่ใช้คําว่ารูปเฉยรูปกายยะอาจจะมาอาจจะละเอียดหน่อยนะคําว่ารูปเฉยแล้วรูปรูปรูปรูปวันนี้ก็อาจจะมาเขาบกว่าต่างกันกับรูปกายนะและเทวดาจะมีรูปกายอยู่จริงรงเล็บเหมือนดังเราว่าเหมือนดังเหมือน คุณแปดเจศนหาว่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าไม่ได้ใส่โซอดิงด้วยนะจะมีรูปกายอยู่จริงหรือเปล่าจึงบอกว่าถ้าตนผิดหมายถึงอาตมาจึงบอกว่าถ้าตนผิดก็ผิดทั้งยวงอ๋อเพิ่งรู้หรือเพิ่งรู้หรือว่าตัวเองผิดทั้งยวงเราจะอธิบายให้ฟังเอาคำที่ไอ้อัตมาพูดไปหมดเลยว่าอาตมาต้อง อรับรองว่าอาตมาไม่ผิดถ้าอาตมาผิดอาตมาก็ต้องรับประกันของตัวเองถ้าอาตมาผิดก็ต้องผิดทั้งยวงไอ้ผู้ไปบรม น, นั้นออ่าถึงรู้หรือว่าตัวเองผิดทั้งยวงเราจะอธิบายให้ฟังมนุษย์มีทั้งรูปกายและนามกายในใช้รู ป, ปรกายและนามกายนะเทวดาก็มีทั้งรูปกายและนามกายจริงนะถูกต้องยกเว้นอสัญญีสัตว์มีแต่รู ป, ปรกาย อสัญญาสัตว์ก็มีรูปอสัญยีสัตว์มีมีแต่รูปประกายรบกว้นว่าไม่มีไม่มีนามกายแสดงว่าอสัญยีสัตว์มีแต่รูปประกายไม่มีนามกายก็ก็ถูกต้องเวลาอยู่ในความเป็นอสัญญาก็ดับมันมีนามไม่มีนามทํางานเลยไม่รู้รูปก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรและไม่มีนามก็ถูกส่วนอรูปพรหมมีแต่นามกาย อันนี้แหละคําว่ากายนี่แหละองค์ประชุมของนามกายนามกายองค์ประชุมของนามที่ผู้ที่มีญาณปัญญาก็จะเห็นพรหมก็จะเห็นกายเป็นอารูปประพรหมก็จริงมีรูปที่ถูกรู้เรียกว่ารู ป, ปรกายภายใ น, นรู ป, ปรกายภายในเห็นถูกรู้เป็นรู ป, ปรกาย นี่เป็นความละเอียดที่ต่างกันของคุณแปดเจ็ดสุนากับอัตม า, าเพราะมีสิ่งที่ถูกรู้พระพรหมอารูปก็จริงอารูปนี่หมายความว่าขั้นอารูปขั้นอารูประอัตตาแล้วเป็นอัตตาสามแล้วเพระเาะฉะนั้นผู้ที่เป็นพรหมเนี่ยถึงขั้นอารูประก็แสดงวหมดโอราติกะอัตตาหมดมโนมยอัตตา ในระดับต้นกลางไปหมดแล้วก็เป็นอรูปะเท่านั้ น, นยิ่งเป็นพระพรหมที่บริสุทธิ์เลยก็ยิ่งไม่มีรูปเพราะธรรมดาจิตวิญญาณก็ไม่มีรูปอยู่แล้วอรูปไม่มีอยู่แล้วเพราะงั้นส่วนอรูปประพรมมีแต่นามกายแต่ไม่ว่าจะเป็นรูปกายหรือนามกายาคือผูอ้เรียกยักไว้อยู่ แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปกายหรือนามกายก็ล้วนต้องดับหรือคือรูปเป็นของไม่เที่ยงนะต้องดับคือรูปเป็นของไม่เที่ยงทั้งนามก็เป็นของไม่เที่ยงนั่นเองฉะนั้นจึงพูดว่ารูปเป็นตัวตนลงเล็บหรืออัตตาหาได้ไม่มันบอกว่ารูปนี่เป็นตัวตนไม่ได้ทั้งนามก็เช่นกันจะพูดว่านามเป็นตัวตนลงเล็บเท่ากับอัตาก็หาได้ไม่เช่นกันเพราะหากว่าถ้ารูปและนามต่างก็เป็นอัตตาแล้วก็ ทั้งรูปและนามนั้นก็ต้องเป็นของเที่ยงสิเดี๋ยวอานใหหมดสุกก่อนนะแล้วค่อยอาจมาค่อยม า, ม, ามาอธิบายทีหลังฉะนั้นเมื่อรูปกายและนามกายของทั้งมนุษย์และของทั้งเทวดาต่างก็เป็นของไม่เที่ยงเพราะต้องดับสลายแล้วทั้งมนุษย์และเทวดานั้นจึงต้องเป็นอนัตตานะเพราะมนุษย์ก็ตามเทวดาก็ตามนะรวมถ้เจาให้พูดให้เต็มก็อย่าว่าแต่เทวว์หรือเทวดา อย่าว่าแต่มนุษย์เลยสัตว์รดฉานก็เป็นสัตว์อยู่ก็อนัตตาทั้งนั้นนะอันนี้ก็ขอแย้งไว้ก่อนอตนะทั้งมนุษย์และเทวดานั้นจึงต้องเป็นอนัตตาฉะนั้นขณะใดที่ผู้ใดเข้าถึงวิมุยตอยู่นังเรียกเพราะปราศจากอุปทานเข้าถึงวิมุยตอยู่ขณะนั้นผู้นั้นย่อมเห็นมนุษย์ว่านังเรียกอัตตาเห็นมนุษย์ว่า หรือคือได้ละสัญญาวิปลาสทั้งนิจจังสุขขังและที่สำคัญได้ละวิปลาสคืออัตตวิปลาสอัตมาก็เพิ่งเคยได้ยินว่าอัตตวิปลาสมีเคยแต่สัญญาวิปลาสนะอัตตาวิปลาสก็เพิ่งเคยได้ยินนะ่ะได้ละวิปลาสคืออัตตวิปลาสว่าเป็นตัวตนแล้วนั่นเองซึ่งถ้าผู้ใดไม่รู้จริงอย่างพอทรอจึงเข้าใจผิดว่า มนุษย์มีรูปกายจริงเท่านั้นแต่เทวดาไม่มีรูปกายอยู่จริงนะเขาใช้คาว่ารูปกายนะเทวดาไม่มีรูปกายอยู่จริงจึงสรุปว่าแม้ความรู้ขั้นต้นของวิปัสสนาคืออนัตตาพอทรอโพโธิรักก็ยังเข้าใจไม่ได้หรือคือเข้าใจผิดตั้งแต่แรกแล้วฉะนั้นเมื่อสัญญาวิปราสเป็นอัตตาแล้วสัญญาวิปราสเป็นอัตตาแล้ว พอตรอจึงผิดทั้งยวงเหมือนเป็นยวงมะเร็งเหมือนเป็นยวงมะเร็งเนื้อร้ายนั่นเองไม่ใช่เป็นอัตราหรือไม่ใช่เห็นว่ามันเป็นมนุษย์อีกแล้วนั่นเองทั้งนี้ก็เพราะย่อมเห็นเป็นแต่เพียงรูปและนามที่กาลังเกิดดับสืบต่อเป็นทุกข์เพราะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเองและเช่นเดียวกันผู้ที่กาลังมีมุอยู่นั้น ผู้ที่กําลังพิมพ์อยู่นั้นก็ย่อมมิได้เห็นเทวดาเป็นเทวดาอีกแล้วเช่นกันแต่หากจะเห็นเป็นแต่เพียงรูปนามที่กําลังเกิดดับสืบต่อเป็นทุกข์เพราะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าได้ละอุปทานว่าตัวต น, นเข้าทีนะคือพูดจาพูดอะไระอะไรนี่เข้าทีฟังดูแล้วเนี่ย คนที่ศึกษาแนวรักแนวปรัชญาพวกนี้จะเข้าใจทราบซึ้งแต่ในย่าที่ละเอียดชัดเจนโดยเข้าหาประมัทแล้วอัตมาก็เห็นชัดว่าแปดเจ็ดูนหน้านี่นะยังไม่พ้นความเป็นอัตตาอัตมาอยากจะบอกว่าไม่ได้พ้นความเป็นอัตตาเลยตั้งแตโอราดิกะอัตตาคืออัตตาภายนอกที่กระทบ้วยตาหูจมูกลิ้นกายอัตยาโอราดิกคือยา ยังไม่เรียนรู้เลยเข้าไปกลางละเอียดก็เลยไปนั่งหลับตาทำแต่ทาภายในเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่งามหรือว่าไม่เป็นไปตามลำดับเบื้องต้นทำกลางมันไปตั้งแต่ต้นแล้วเพราะจะไปหวังว่าผู้นี้จะรู้สภาวะตั้งแต่หยาบก็ยังไม่รู้ว่ากายหยาบอุราธิการตาคือกายหยาบมันเป็นอย่างไรเมื่อไม่รู้แม้แต่กายหยาบเป็นอย่างไรแล้วไป เรียนรู้กายที่เป็นกายละเอียดขั้นกลางขั้นปลายในระดับมโนโมยอัตตาในระดับอรูปรอัตตาผิดแน่นอนผิดแน่นอนแม้แต่หยาบยังไม่รู้เลยในะแย้งอัตมาตลอดเวลาเพราะยังทำการรู้รูปประกายในรูปประกายนี่มีนามกายตลอดเรียกว่าองค์ประชุมของรูปธรรมองค์ประชุมของรูปธรรมนี้ต่อเนื่องกันไปตลอด เพราะศาสนาพุทธนั้นไม่ได้ทิ้งแต่เอาแต่นา ม, มากายโดยตอนนี้ไม่มีผระสักรู้นา ม, มากายนั้นเอาแต่นา ม, มากายมาดูมาเรียนได้พุทธนี่รู้ได้แต่เวลาปฏิบัติแล้วลืมตาสัมผัสมีรู ป, ปรกายและก็มารู้ทางนา ม, มากายต่อเช่นกายในกายที่อาตมาพูดเมื่อกี้เนี่ยนะ แราวเมื่อตาสัมผัสรูปมันต่อเนื่องอยู่ข้างข้างนอกอุปาทายรูปเป็นรูปทีต่ต่อเนื่องเข้าไปเพราะฉนั้นผูู้ที่ตัดออกไปเลยก็ไม่มีกายในกายทีตย่ต่อเนื่องเป็นอุปาทายรูปเพราะนั้นพิจารณากายในกายไม่เป็นเพราะไม่ได้ปฏิบัตินะ่ะไม่ได้เรียนนะไม่ได้เรียนกายนะเพราะเรื่องพวกนี้จึงไม่รู้อัตตาตั้งแต่หยาบยังไม่เรียนต้นเลยไม่เรียงตัวต้น ยังไม่ถึงความจริงของอนิทัตสนังคืออศรีระเพราะว่ายังไม่รู้จักกายที่เป็นมโนมยัตตาสมบูรณ์มโนมยัตตานี่นะเป็นตัวกลางที่จะมีประลาดหรือว่ามิชาทิทิได้แม้แต่หลงข้างนอกว่าเป็นตัวตนแม้แต่หลงข้างในในจิตเองเป็นตัวตน ในสุดท้ายอรูปอรูปอัตตาก็หลงได้อีกนี่เป็นต้นเป็นตัวกลางเป็นตัวที่สูงสุดที่จะรู้จากเรื่องของมโนหรือจิตครบเพราะฉะนั้นจะสาเร็จด้จิตมโนมยะคือการสำเร็จด้วยจิตวาะจะสำเร็จโดยที่เรียกว่ามิจฉาทิฐิก็สำเร็จด้วยจิตวันจึงเห็นมโนเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนเป็นสีระอย่างที่เป็นเนี่ยอย่างที่คุณนี่เป็นม่รูปร่ามีรูปกาย มีรูปมีสีสันตัวตนรูปร่างนะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะนัเข้าใจคําว่าอัศรีรังไม่ได้หรืออ น, นิทัศนังไม่ได้เข้าใจไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไมเข้าใจโดยจะรู้นามมารูปหรือนามนากายได้ด้วยอาการลิงค์นิมิตอุเทศหรือรู้นามตากระทบรูปข้างนอกมันรู้แล้ล่ะมันเห็นได้อยู่แล้วล่ะทีนี้มันนามมันนามากายหรือนามมารูปผู้จะเห็นนามมารูปได้ ก็รู้ได้ด้วยอาการลิงคะนิมิตอุเทศเพราะนามาทรมมันอัศรีรังนามารรมันไม่จุดไม่มีตัวตนสีสันชมกายอะไรนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ด้วยอาการรู้ด้วยนิมิตหมายขับเครื่องหมายต้องอ่านออกนะรู้ด้วยเครื่องหมายว่ามันมีความต่างกันนะมีลิงคะนะอาการกโกรธกับอาการโลภเป็นต้นมันต่างกันนะ เด้ออาการสุขอาการทุกข์มันต่างกันนะั้นต้องหมายเองมีสัญญากําหนดหมายของตัวเองแล้วก็รู้เครื่องหมายรู้นิมิตนั้นๆเองนะรู้เองเพราะฉะนั้นนิมิตหมายเมื่อกี้พูดถึงว่าเวลาผัสสะสุญญาตาิผัสโซอนิมิตต์ผัสโซปนิหิตต์ผัสโซนั่นแนหะ <c oughs> เมื่อสัญญาเวทีิตตนิโรธแล้วเป็นนิโรธแล้ว ผัสสะเหล่านั้นจึงว่างผัสสะก็ว่างผัสสะก็ไม่มีนิมิตไม่มีนิมิตคืออะไรไม่มีนิมิตคือเห็นแล้วว่าจิตของเราเนี่ยมันไม่มีเครื่องหมายอะไรมันไม่มีนิมิตเพราะมันนิโรธมันดับมันไม่มีเครื่องหมายของเศษเหลืออีกไม่มีเลยเพราะผ่านแม้แต่ในวัฏฏายานาสัญญายตนะสัญญาหรือในวัฏฏยานาสัญญายตนะ ฌานนั้นสัญดสัญญาในวัฏฏายานจะยัตยานาพบมันผ่านหมดแล้วมันไม่มีเครื่องหมายไอ้สิ่งเหล่านี้แล้วมันก็เป็นความสะอาดหมดแล้วนะจึงไม่มีนิมิตของสิ่งที่จักไม่ว่างมันว่างจากสิ่งนี้หมดแล้วมันเป็นสุญญตัมันเป็นสุญญตับแล้วมันก็เป็นสัญญาเวททิจิตานิโรธสัญญาเข้าเคลียอารมณ์อานจนกระทั่งดับอกิจัญญะ นิดหนึ่งน้อยหนึ่งไอ้เสียงที่จะไม่ให้มีมันก็ไม่มีหมดแล้วมันจึงไม่มีนิมิตอะไรนอกจากความว่างจึงเป็นสุญญาตากว่างเพราะฉะนั้นอนิมิตจริงบอกอีกในยานึงแล้วมีอะไรเหลือไหมที่จะมีนิมิตไม่มีไม่มีอ่าแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่รู้เรื่องเครื่องหมายอะไรอะไรในโลกไม่รู้รู้อยู่ครบครันพัศงัยมีผัสสะอยู่ตากระทบรูปไปก็มีไม่มีเครื่องหมายของอันนี้ แต่เห็นไหมในรูปมรละนี่เห็นไหมก็เห็นที่กำนิมิตมนณนะเครื่องหมายของรูปมรณะนี่กําหนดรู้จะตายแต่มันไม่มีนิมิตของสิ่งที่ไม่ให้มีซึ่งความมีกับความไม่มีอธิบายอธิบายไอความไม่มีของโลกสมุทยัยมันไม่มีแล้วในโลกนี้ม่นมีอีกแล้วมันมีแต่โลกนี้โรดนะเนะอาพะยัญชนะของพระเจ้ามาใช้เอาพระบาลีมาใช้มันจะชัดเลยมันมีแต่โลกนี้โรดนล้ว ม, มีแล้วนะอันสุดท้าย อัปปนิหิตตะถ้าอยู่ในนิโรธได้นิโรธแล้วก็ไม่ต้องตั้งไม่ต้องตั้งความปราถนาไม่ต้องมีทิั้งของสิ่งพวกนี้แล้วอัปปนิหิตตะสรุปแล้วตัวชุญยตระแม้แต่อา น, นิมิตแม้แต่อัปปนิหิตตะมันเป็นไวยพจน์กันหมดเลยมันเทาก็บศูนย์หมดเลยมันว่างหมดเลยอา น, นิมิตมันก็ว่าง อปะนิเฮตากมันก็ว่างเห็นไหมแต่ในโบหารในมุมที่จะต้องมองให้ละเอียดเหมือนกันกับอากาซาวิญญาณญจาอากินจันเนวสัญญาก็ตามทั้งสี่นี้เนี่ยสภาพว่างทั้งนั้นแหละมันมีทุลีละองอะไรที่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ว่างก็ต้องจัดการให้ละเอียดหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะมีอากาซามันกว่างอยู่แล้ววิญญาณอันสะอาดก็ว่างอยู่แล้ว อากินจันถ้าจะมีก็มีอยู่ที่อากินจันว่ามันจะมีอะไรไหมจริงๆอากินจันก็หมายถึงความไม่มีนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีเพราะฉะนั้นตรวจสอบวันนี้จะไม่มีเนวัตยานาสัญญาคือก็ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เสร็จไม่รู้นิดหนึ่งก็ไม่ได้จึงจะถือว่าเป็นผู้รู้จบจึงเรียกว่าหมดอวิชชาหมดความไม่รู้เป็นอวิชชาสวะสิ้นแม้แต่อาสวะของอวิชชาสิ้นแม้แต่อาสวะสังโยชน์ ความผูกตัวเป็นสัตว์อยูน่นี้ไม่เหลือเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะมนุษย์หรือสัตว์เทวดาพรหมก็ตามมีรูปกายถ้าจะมีรูปกายรูปคือสิ่งที่ถูกรู้โดยญาณเพราะฉะนั้นจิตสะอาดของพรหมพรหมสะอาดหมดแล้วพรหมรูปประพรหมก็สะอาดระดับหนึ่งก็ตรวจสอบไปอีกรูปประพรหมถือว่าเป็นผู้ที่ ขึ้นฐานอุเบกขาเนี่ยเป็นรูปภพลมละอุเบกขานี่ยเปรูปภพลมแล้วนะเป็นฌานที่จริง น, นก็เป็นรูปภพลมแต่ว่ายังไม่ยังไม่ถือว่าเป็นรูปภพลมก็เพราะว่ายังเหลือส่วนที่ยังเป็นอุปกิเลที่ตรวิจาร์ก็ดีปิติก็ดีสุดก็ดีมันยังเป็นอุปกิเลตอยู่แต่ถ้าอุเบกขากับเอกคตาเป็นจิตเอกคตาแล้วจิตเลิศยอดใหญ่แล้วเอกขตา ไม่มีแล้วไม่มีอะไรแล้วอุปกิเลสก็ไม่มีแล้วฌานที่สี่เป็นฐานนิพพานแล้วเพราะฉะนั้นอรูปฌานอีกสี่นั้นก็คือเก็บรายละเอียดด้วยความอนุรักษณาประทานรักษาผลหรือทำให้ครบพร้อมทั้งส่วนอดีตส่วนอนาคตให้สมบูรณ์หมดเลยแข็งแรงจนถึงขั้นนิจังทุวังสัตตังอวิปรินามธรรมังอสังหรังสังคุ ป, ปัง ให้เป็นศูนย์อย่างถาวรแน่นอนมั่นคงยั่งยืนไม่มีอะไรที่จะหักล้างได้ก็ต้องเห็นสิ่งเหล่านี้รู้สิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาแม้แต่พระพุทธเจ้าเข้าฌานไม่เข้านั่นแหละอรูปฌานรูปฌานด้วยอรูปฌ า, า, า, านก่อนปรินิพานซึ่งพระอนุรุตตามไงท่านก็ต้องเห็นสิ่งเหล่านั้นตรวจฌานพวกเหล่านั้นแล้วก็ตรวจท่าก็ตรวจไปสิ่งที่ท่านทําได้ มันก็ผ่านเป็นขั้นตอนเท่านั้นเองความสะอาดของท่านสะอาดหมดเลยพระจิตของท่านไม่เหลือแล้วปิจิวิญญาณก็ไม่มีปิติก็ไม่มีสุขก็ไม่ไม่มีมีแต่อุเบกขาไปหานิโรธเห็นไหมแต่ขั้นตอนของฐานธรรมะท่านก็ตรวจสอบความรู้เท่านั้นเองแล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็มาปรินิพพานที่ฌานที่สี่เห็นไหม ว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้าพูดที่มีความรู้ในเรื่องของกายและสัญญาก็จะสามารถรู้ความเป็นกายรู้ความเป็นสัญญาถูกต้องก็จะตรวจได้ด้วยวิญญาณที่1ิเจ็ดวิญญาณที่17เจ็ก็หมายความว่าต้องศึกษาให้มีวิญญาณตั้งอยู่นะวิญญาณไม่ตั้งอยู่ก็คืออสัญญีสัตว์กับ ในวาสัญญานาสัญญายตนาเหมือนอุทกกดาษสองอันนี้มันดับดิ้งเฉยมันเป็นกินา น, นหาหะเป็นสุปกินหะเป็นนิโรดดับนิโรดมืดดำจิตกิญญาขงตัวเองไปทําความมืดดำไม่มีความสว่างอะไรเลยและไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้ศึกษาก็จึงศึกษาอะไรไม่ได้เพราะจะศึกษาต้องศึกษาอยู่ในความสว่าง มีวิญญาณทิฏฐิมีวิญญาณตั้งอยู่แล้วก็เรียนรู้องค์ประชุมเรื่ากายกับสัญญาที่จะกำหนดหมายเรียนรู้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นในข้อที่หนึ่งของวิญญาณทิฏฐิก็ดีของสัตวะก็ดีมันเหมือนกันเข้าใจกำหนดกายไม่ค่อยตรงเขากำกายเขาไม่ค่อยตรงอย่างคุณเนี่ยกำหนดกายกับอาตมาเนี่ยคลาดเคลื่อนกันอยู่ไม่ตรง เห็นต่างกันถ้าอาตมาผิดเขาก็ถูกถ้าอาตมาถูกเขาก็ผิดอาตมาไม่ได้มาเถียงแย่งเอาชนะค้าการนะจะให้อาตมาผิดก็ได้แต่อาตมาเข้าใจอย่างนี้อาตมาก็เอาร่างธรรมก็ได้สภาวะนี้เรียบร้อยแล้วก็เอามาเปิดเผยใครจะเอามาศึกษาแบบนี้ก็มาใครจะไม่ศึกษาแบบนี้ไปเห็นอย่างที่คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าก็ไปเอาสิอาตมาไม่ได้มาแยง่งมาเถียงลูกค้าใครนะไม่ได้แยง่งชิงีงไม่ได้ถกเถียงเอาชนะค้าการอาตมาอธิบายสัจธรรม ้าใครเห็นเป็นธรรมวาทีก็ใครเห็นไม่เป็นธรรมวาทีก็ก็จบก็แล้วไปนะก็ยังไม่ขยายความต่อไปละนะอ่ว่ากายอวัญญาณวัญญาณชีติที่จะต้องรู้กายแล้วก็มีสัญญากําหนดให้ไหม่วิปลาสให้ได้นี่ทั้งทั้งสตาวาสเหมือนกันต้องกําหนดเพราะถ้ากําหนดไม่ถูกกำหดไม่รู้จำไม่รู้เลยว่าสภาวะของอภัส ร, ราพรมหรือเทวดาเทพขระดับอภัส ร, ราคืออะไรเทพสุปกินนาหะคืออะไรก็จะไปเห็น ตามที่ยังยึดกายมีตัวตนมีรูปร่างมีสีสันมีอะไรๆอยู่เป็นเทวดาอภัสราก็มีแสงมีลำมีแสงสว่างสุปกินนหาก็ไปแปลว่ามีแสงอีกนะถ้าทั้งทมันมืดมันมืดแสงมืดกินนหานะี่ยนะยังสุปกินนหายังเป็นลำแสงที่สลัดมีรุ่งโรดอะไรไปโน่นท่านแปลไว้ในคําแปลของท่านกันนันโมราณอาจารว่าผู้รู้ท่านแปลกันไว้อย่างนั้นก็แสดงว่ายังไม่เข้าใจสภาวะของ ประมัติที่แท้จริงนะ่ะเป็นอย่างนั้นนะ่ะอาตมาก็ขออีกนิดนึงนะก่อนจะจบนะจนเวลามันหมดมันเลยไปนหน่อยนึงแล้วนะว่าไอ้รูปที่ถูกรู้เนี่ยรูปหนึ่งความหมายของรูปที่มันมีรูปมีภาพมีภาวะข้างนอกตากระทบเป็นรูปอันนี้ต้องเป็นภาพเป็นรูปเพราะตาไม่กระทบแล้ว รูปข้างในไม่มีหรอกมีแต่สิ่งที่ถูกรู้เป็นนามมารูปและนามมารูปนั้นคือจิตเจตสิกอัศรีรังไม่มีรูปร่างเห็นไม่ได้ด้วยตาเนื้ออ่าเห็นไม่ได้ด้วยตาเนื้อต้องเห็นได้ปัจสัเห็นปัจสติเห็นเป็นป น, าานิพพานญาณญาณเห็นได้ด้วยด้วยอาการดิขันนิมิตุเทศ อาตมาเองกับพวกเราก็เข้าใจเข้าใจคนที่ไม่เข้าใจก็น่าสงสารไม่เข้าใจไม่เข้าใจเนาะอ่าอเพรางะะนั้นรูปที่ถูกรู้ได้ก็ต้องรู้ได้โดยอาการลิขิตนในมิตรอุเทศไม่ใช่ว่ารูปกายที่มีสรีระคือมีรูปร่างตัวตนสีสันแท่งก้อนโฉมกายอะไรเนี่ยไม่ใช่มันไปเห็นมาว่าไปเห็นนล้เนี่ยหลับตาเห็นด้วยอ่ถ้าลืมตาแน่นอน ก, ก็ต้องเห็นรูปอยู่แล้ว แต่ละบตาเห็นเป็นรูปกายก็เลื่มนไปเห็นรูปกายและเขาต้องมีสีสันตัวตนรูปร่างนอกจากขั้นอะรูปเขาถึงจะบอกว่าอย่างพรมอะรูปประพรมนี่ยมัไม่เห็นรูปร่างสีสันไม่เห็นตัวตนเขาก็เข้าใจอย่างนั้นซึ่งใครก็เข้าใจได้อย่างนี้มันเรื่องตื้นๆนะนะมันไม่ซับซ้อนลึกซึ้งอะไรหรอกแม้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอรสรังอรสแดงคุณก็ยังงงอยู่นั่นแหละก็ยังไม่รู้เรื่องอยู่นั่นแหละอานิสัตสน์คุณก็ไม่รู้เรื่องอย่างนั่นแหละวีรนางอานิสัตสน์อนันตังสัพพโตปร์ ก็ไม่เข้าใจเลยว่าวิญญาณมันมีลักษณะยังไงมีลักษณะอทิตย์นังอนันตังสัพโตประพังเหมือนแสงสว่างนี่ท่านก็เปรียบเทียบให้รู้ว่าไปอย่างนี้แหละทุรังขมังบทศาสตรไปได้ไกลแพร่พกระจายไปอนันตังไม่มีที่สิ้นสุดแต่อนันตังสัพปปโตประพังนี่แหละคือสภาพของเจตวิญญาณไม่ได้มีเป็นตนเป็นกอ้อนๆหูป้อมๆ ม, มีแขมนมีขาเป็นตัวอยู่นีนเหมือนกับอยู่ในแบบพิมพ์เป็นรูปน่างนั้นรูปร่างนี้ไม่ใช่อนันตังสัพโตประพัง นี่คือวิ ญ, ญญาณเห็นเป็นรูปเป็นร่างไม่ได้อันนี้ทัศนัง อ, อัตมาเมื่อนะอธิบายนี่เมื่อย่างนีย้อนแล้วย้อนอีกซ้าแล้วซ้าอีกนะเนาะก็น่าเห็นใจเพราะว่ามันไปยึดผิดซะแล้วว่ามันจะต้องมีอัตมาไม่สงสัยอีกว่ามีตัวตนรูปร่างนั้นนะ่ะเขาเห็นกันอัตมาก็เห็นน่ะหลับตาก็เห็นได้อะ่ะ มีรูปร่างสีสันตัวตนรูปร่างได้แต่ตะมาไม่ยึดมั่นอย่างที่คุณนี่พูดเนี่ยว่าเราไม่ยึดมั่นแล้วไม่รื้อไม่ยึดนามแล้วสุดท้ายนี่พูดโก้ประยักษ์เก๋มากเลยแต่อัตตาที่คุณยังมีที่เป็นอุปปาทานแท้ๆคุณยังไม่ได้ล้างอุปท า, านคุณเลยคุณเข้าใจเท่านั้นแล้วคุณบอกคุณหมดอุปท า, านทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนหมดเลยมันไม่ได้หรอกนี่มันลัด มันไม่เป็นเบื้องต้นทรรมกางมันไปตั้งแต่หยาบในคุณรู้จักรูปกายทั้งเคยหยาบไปยังโอราทีกัอัตตาคุณรู้หรือยังถ้าคุณยังรู้ไม่ได้ล้างอัตตาหยาบนี่ยังไม่ได้เลยแล้วคุณจะไปเป็นนาคามีดับกายหยาบนี่ก่อนหมดมันตีลังกาหกเมนเลยนะเนี่ยเอาหัวเดินต่างตีไปตลอดเวลาเลยเนี่ยมันจะไปพูดเป็นคนได้ยังไงอรมาก็สงสัยยิ่งเลย นะไม่มีเบื้องต้นตรงกลางมันไปเป็นลำดับลาดลุ่มเหมือนฝั่งทะเลอะไรมันไม่เข้าเกณฑ์เลยนะเพราะงั้นก็อาตมาก็ขอขออภัยที่แย้งแรงหน่อยนะมามีนับถ้ำเนียงภาษาอะไรแย่งหน่อยนะเพราะงั้นรูปคือสิ่งที่ถูกรู้นะต้องไปเรียนดูให้ดีๆว่ามันไม่ใช่รูปที่เป็นทุณเข้าใจแต่ว่ารูปนี่คือรูปร่างเท่านั้นพคุณหมายในรูปร่างแต่เผยเผยคุณก็บอกว่ารูปกายข้างในก็มีนะ รูปเทวดารูปกายรูปนิมิตพวกนี้เป็นกายทิพย์นั่นไปรูดอีกเป็นกายทิพย์ไปอีกอกายทิพย์โดยกายทิพย์ไม่ว่ากันองค์ประชุมนี่ม่มีรูปร่างมันมีสีสันอัสรีรังอกวนอยู่นี่อาตมากาวนย้ำอยู่นี่เนา ะ, อ, ะอย่างคนนี้บอกว่ า, าพอตรอเนี่ยเข้าจึงไปเข้าใจผิดว่ามนุษย์มีรูปกายจริงเท่านั้นแต่เทวดาไม่มีรูปกายอยู่จริงเมื่อไหร่ เข้าใจว่ามนุษย์มีรูปกายจริงมนุษย์ก็หมายถึงเอารูปร่างร่างกายตัวตนคนนี่เลยนะแล้วบอกว่าเทวดาไม่มีรูปกายจริงอัตมาเข้าใจผิดว่าเทวดาไม่มีรูปกายจริงมันมีแต่มนุษย์อัตามาก็เขา้เขาใจเขา้าใจเข้าหมายถึงอะไรเข้าใจอัตมานะเข้าใจมนุษย์ร่างกายมีแล้เป็นมนุษย์ทางจิตวิญ ญ, ญาณก็มีมีรูปกายทางจิตวิญ ญ, ญาณ อ, อย่างมนุษย์เขายกตัวอย่างที่ผ่านมามนุษย์ที่ไปอยู่ในสภา ที่เขาเขียนรูปนหัวเป็นเป็นเสือหัวเป็นลิงหัวเป็นหมาหัวเป็นขอไปเฮียด้วยอะล่ะที่มีรูปเลียรูปที่อาตมาถือว่าเป็นมาสเตอร์พิสเลยนะเนี่ยชิ้นสําคัญเลยนั่นแหละคนคนคนใส่เสื้อนอกดีด้วยนั่นแหละคนมนุษย์แต่นามกายของเขาเนี่คนเห็นได้เลยไอ้คนนี้เป็นเสือไอ้คนนี้เป็นขอไปเป็นเฮียคนนี้เป็นหมา เห็นเลยว่าลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เป็ น, อ ย, นอย่างนี้อย่างนี้เข้าใจเลยเห็นรู้ได้แต่ไม่ใช่น้ําไม่ใช่หัวเป็นหมาอย่างนั้นไม่ใช่หัวเป็นเสืออย่างนั้นไม่ใช่ไม่มีรูปร่างอย่างนั้นหรอกแต่เข้าใจได้รู้จักอาการลิงคันนิมิตชัดเจนเห็นด้วยปัญญาอันยิ่งอเป็นตาที่เป็นโสดทิพทิพจริงๆอ่า เอออันนี้ก็ชัดนะอันนี้ก็ชัดนะนี่แหละมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้เทวดาก็เข้าใจที่สัตตาโอปปาติกาเพราะฉะนั้นพูดยังไม่พูดใดยังไม่สมาธิในความเป็นสัตตาโอปปาติกาซึ่งเป็นสมาธิข้อที่เก้าที่ท่านตรัสเอาไว้ในพระเจปิดกเล่มสิบสี่ตั้งแต่ข้อสองร้อยห้าสิบ้าสิบสองไปถึงสองรแปดสิบเอ็ดนั่นนะเขาเอาภาพมาให้ดูกันเมื่อกี้บๆ นั่นน่ะนะมันไม่มีรูปร่างอย่างนั้นหรอกไม่มีในโลกนี้ไม่มีโลกศาตว์แบบนี้ไม่มีไม่มีแต่เป็นสัตว์ในประชานแบบนั้นจริงๆเป็นสัตว์นรกแบบนั้นจริงๆแต่ไม่ใช่หมายถึงรูปร่างกายแต่หมายถึงนามธรรมาเห็นไหมเนี่ยมันยากอย่างเงี้ยถึงเข้าใจยากเพราะงัพูดได้ยังติดตัวตนยังมีรูปร่างสีสันมีสรีรังอย่างเงี้ยพูดคาว่ากายโย ยังไม่พ้นหรอกลาดอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นจะเห็นกายจะเข้าใจวิญญาณทิฏฐิเจ็ดเข้าใจสตาวาสเก้าได้ยากเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะสัมผัสนิโมกขแปดด้วยกายแล้วก็สามารถเห็นความจริงตามความเป็นด้วยปัญญาอันยิ่งทั้งหมดจนแม้กระทั่งเห็นอาสะวะอันสิ้นแล้วดับแล้วโดยชอบไม่ได้ไม่ได้ไไดน่าขอยืนยัน อ่ะเอาละอาตมาก็คิดว่าเอาไว้ตอนนี้ก่อนก็นแล้วกันเวลามันเลยไปตั้งหลายนาะทีแล้วก็ดีนะอาตมาว่าก็ดีได้ประโยชน์ได้ปัญญาจากคุณไอ้นี่มาตั้งประเด็นให้อาตมาต้องมาหยิบมาอธิบายได้ไหมได้ไหมโอ้เนาะได้เนาะดีอ่ะเอาละผ่านไปการบรรยายคนเดียวตอนนี้ก็ตอบประเด็นละอ่ามีประเด็นมาพอสมควรใครจะส่งประเด็นมาอีกก็ขอบอกเบอร์โทรศัพท์ตามธรรมเนียมอีกทีหนึ่ง ผู้จะส่งประเด็นเข้ามาก็ส่งมาทางโทรศัพท์หมายเลขที่จะส่งมาได้ก็คือ0885859117กับ0885859118ทวนอีกทีนึง0885859117กับ088 ห้าแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งแปดนะอ้าวอ้าวจะนี่มาถึงประเด็นที่ส่งมาเจ้านี้โอ้มีทั้งสี่ประเด็นนะหนึ่งในสังกัปปะเจ็การเริ่มเกิดขึ้นเป็นตกกะก่อนนั้นมักจะมาจากกามาสัญญาหรือปฏิฆาสัญญาใช่ไหมคะจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะอ่าถูกต้อง คนที่ยังมีกิเลสการกิเลสพยาบาทอยู่มันก็จะต้องทํางานเพราะงั้นเมื่อผัด ส, สะปับ๊บผัด ส, สะแล้วกิเลสมันก็เข้าไปทํางานโดยที่ผู้เอาวิชาไม่รู้หรอกไม่รู้เรื่องกิเลสมันก็ทํางานอย่างสะดวกอยู่ในจิตเรานั่นแหละเพราะมันถือว่าจิตจิตเรามันถือเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะอะกิเลสเนี่ยมันยึดครองโอ้โหเรียกว่ามัน มันอะไรล่ะมันยึดพื้นที่เลยน ะ, ะเพราะงั้นโดยที่เจ้าตัวนี้ไปกระชับพื้นที่ไม่ได้เลยจานวนกระชับพื้นที่งไงเจ้าหน้าที่จะไปกระชับพื้นที่นี่มันยึดพื้นที่เลยพื้นที่จิตวิญาณของเราทํางานเลยสั่งการเลยนั่นแหละตักกะตัวแรกเริ่มดำริตักกะหมายความว่าจิตที่มันเริ่มดำริตริเข้าไปแปลภาษาเป็นไทยว่าอตักกะเนี่ยตริ วิตกกาคือตรองแล้วมันรมีการนึกคิดตริคือเริ่มดําดิใช่ไม่มตรองคือพิจารณาเพิ่มใช่ได้พิจารณาพอสัมผัสมันจะเริ่มเกิดมามันเกิดมาแล้วมันเริ่มดําดิขึ้นมาแล้วพออย่งนันก็จะต้องพิจารณาเห็นตามแยกแยะตีรณปริญญาหรือธรรมวิจัยสัมโพธิ์ชงวิจัยให้ออกวิจารณ์ให้ออกว่า ในนั้นน่ะมันมีเหตุคือตัวกางตัวพยาบาทหรือไม่ถ้าจับตัวกางตัวพยาบาทได้ในตั ก, กะมักวิตกกะสังกปะนี่แหละสามคำนี่แหละคุณก็จัดการเลยจัดการกําจัดกางหรือพยาบาทนั้นเสียอาอตมามาอธิบายวิธีกําจัดสมมติว่ากําจัดได้มาเป็นสังกปะมันก็เป็นสมาสังกปะเพราะ กำจัดในขณะนั้นปฏิบัติอยู่ขณะนั้นในตัวนั้นที่กําลังผัดษาเรื่องนั้นอยู่ตอนนั้นรัดหลัเป็นปัจจุบนันธรรมนะแล้วปฏิบัติลืมตาปฏิบัติสมัมผัจสจริงเรียนรู้ตามมีจิตมุทุภูตาธาตุ ม, ม, มุทุพูเตกรรมนิเยที่เตทําชานเนี่ยสภาวะการทําทชาน ม, าธธาา ม, มีปริสุทธาปริโยตาตาออ่าปริโยมุทุพูเตก리ปริสุทธเทนะกรมนิเยอ่าปฏิสุทธอะไร ไม่ใช่กัมมณีเอ้าทีเตอเนชัปปเตอะไรเนี่ยอ่าปริสุทธิเทปรโยทาเตทีเตอกัมมณีเอ่าอเนชัปปเตในพวนี้ในการทําฌานก็จะมีลักษณะคนนี้ฉันคืออาตมาไม่เก่งเลยภาษาบาลีเขาแจกวิพัตกันอยู่ในประโยคนเป็นอย่างนั้นอาตมาก็มาพูดตามเตเตเตเตอะไรไปเตไปตามเงี้ยนะ อยู่ในอเวขาท่านก็ไปเรียกเตท่านก็เรียกอ่าปริสุทธาปริโยตตามุทุกรมมัญญาปภัชราท่านก็ไปอ่างอ่าออย่างนั้นนะอาตมาก็ต้องอ่านไปตามเรี้ยผมอาตมาไม่ค่อยเก่งในภาษาวากรณ์หรือภาษาบาลีก็ได้แค่นั้นนะสรุปแล้วเราก็ต้องรู้การมาสัญญาหมายคำว่าจะกําหนดรู้กามกามาสัญญาคือกําหนดรูปกรม ปฏิฆสัญญ า, าคือกำหนดรูปฏิกฆให้ได้ที่มันจะมาร่วมปรุงแต่งมาร่วมสังขารอยู่กับจิตเราเพราะฉะนั้นรีบจับตัวโจพรพวกนี้ให้ได้แล้วกำจัดเสร็จกำจัดได้ก็ไม่มีวิวิสังขารกำจัดกำจัดได้ก็ไม่ไม่มีกิเลสพวกนี้ไปปรุงร่วมก็เป็นวิสังขารเพราะฉะนั้นวิจีสังขารก็สะอาดวิจีสังขารก็ไม่มีตัวเหตุนี่คือการปฏิบัติแท้ ของศาสนาพุทธนะเพราะงั้นผู้ที่ยังไม่เข้าใจสภาว่าสังกปะเจ็ดตัวนี้นะตากาวิตากาสังกปะอัปนาพยัปนาเจรโซวิโรปนาในวิธีการทําให้เกิดฌานหรือเกิดสมาธิเลยแม้แต่นิโร ก, ก็คืออันนี้แหละสังกปะเจ็ดนี้จึงเป็นลักษณะของโยนิโสมนัิการเป็นการทําใจในใจให้แยกขาดให้ถ่องแท้ให้ถูกต้องนี่แหละใจของตนเองตรงนี้แนี่ ทำใจในใจให้เป็นทําใจในใจอย่างนี้ให้ได้นี่ต้องอ่านพวกนี้เป็นแล้วก็สั่งสมให้เกิดเกิดได้ก็สั่งสมเป็นอัปปนาพยัปนาไปตามระดับตั้งมันแน่วแน่ไปเรื่อยๆสะอาดสอ้านเป็นตัวสมถะเป็นตัวที่สั่งสมลงเป็นปัจทธิเป็นตัวสงบเป็นตัวสมถะลงไปเรื่อยเรื่อยเป็นเจโตสมถะแบบพุทธนะหรือว่าเป็นปัจจธิ่ปัจจติคือสงบไปเรื่อยเรื่อยเลยนี่ก็อ่าน กามาสัญญาหมายคำว่ากำหนดในกาลถ้าคุณรู้กำหนดสัญญาการมาสัญญาปฏิฆาสัญญาคือคุณต้องมีสัญญากำหนดรูกาลกำหนดรู้ปฏิฆาแล้วก็จัดไม่ใช่ว่ามันเป็นปรุงแต่งสัญญาไม่ใช่ปรุงแต่งสังขารการมาสังขารปฏิฆาสังขารที่อาจจะพูดกันก็ปรุงแต่งเป็นกาลปรุงแต่งเป็นปฏิฆาไม่ใช่สัญญาการกำหนดต้องกำหนดหมายถึงการมาสัญญากำหนดหมายรูกามกำหนดหมายรู้ปฏิฆาแล้วแล้วก็กำจัดตัวนั้น สองที่ว่าคนที่จะเห็นทุกข์ได้นั้นยากยิ่งกว่าจักเส้นผมให้เป็นร้อยแฉกนั้นหมายความว่าเพราะคนเราได้แต่สนองตัหาของตอนอยู่ตลอดเวลาจึงไม่รู้จักทุกข์ที่เกิดจากเกิดการฝืนใจไม่ตอบสนองตัหานั้นว่าเป็นอย่างไรเฉพาะกรณีนี้เท่านั้นใช่ไหมคะก็มีกรณีนี้แหละกรณีเดียวนี้แหละสนองกิเลสสนองตัหานี่แหละคุณจะสนองด้วยวิธีผลักหรือดูดก็สนองมันทั้งนั้นนะ สนองที่มันไม่ได้ก็พยาบาทอยู่จองไว้ไม่ได้ปล่อยไม่ได้ละไม่ได้วางไม่ได้กําจัดคุณก็ยังมีอยู่ถ้าไปบำเริ ม, มันให้มันสุกคุณก็ยิ่งเกิียดก็ยิ่งอ้วนไอท้ทีจองไว้ก็อ้วนทั้งนั้นไอ้พยาบาทจองเวรอยู่ก็อ้วนทั้งนั้นเนะนะนี่คือปุถุชนที่ต้องกเกลียดหนาทั้งคืนทั้งร่องสามโครงสร้างของกาล ม, มาตหาประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะและเหมือนกันหมดหรือไม่ถ้าเราไม่รู้จัก ไม่เข้าใจในโครงสร้างของตัณหาแต่ละตัวแล้วเราจะสามารถกำจัดตัณหาต่างๆได้เด็ดขาดหรือไม่คะเพราะรู้แต่ว่าเพียงว่ารู้แต่เพียงว่านี่คือวัตถุกรมของเรานี่คือตัณหาและก็ไม่ส่องเสพถอยอย่างเดียวตัณหานั้นก็อาจจะกลับกำเริบได้อีกในภายหลังใช่ไหมคะใช่ถอยอย่างเดียวเนี่ยหรือสะกดไว้ไม่ให้มันออกอาการ จับอาการว่าตอนนี้มันอยากตอนนี้มันนี่ต้องกดคมมันอย่างเดียวโดยคุณไม่พิจารณาให้มันเกิดวิปัสสนาญาณให้เกิดการรู้แจ้งเห็นจริงในไตรลักษณ์ว่ามันเกิดนี่อาการกิเลสเหล่านี้เนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงหรอกมันเกิดยังไงก็ไม่เที่ยงมันจะพยายามตั้งอยู่จะดึงดันเพื่อที่จะให้ได้สมใจถ้าได้สมใจไปให้มันบันเลอมันเสพมันมันอยู่ไหม มันก็กลายเป็นเทวดาไปมันก็ไม่ทุกข์แล้วไอ้ตอนที่มันริ้นรนมันอยากอยู่มันไม่ได้ให้มันี่มันมันมันนามันเป็นตัวสัตว์นรกเพราะรู้สัตว์นรกที่เป็นจิตเจตสิกให้ชัดไม่ต้องไปดูรูปร่างสัตว์นรกมีปากจูบมีแขนยาวมีไส้ลอยทุกป่องตุกป่องอะไรเพราะนั้นไม่ใช่หรอกไอ้นั่นเป็นเรื่องของพวกหลอกกันไปเป็นรูปธรรมหลอกล่อกันหมดนะผู้ใดไปยึดเห็นจริงๆนะผู้ใดไปยึดเนี่ย พอหลับตามโนมยภาพตามันจะปั้นไปจริงตามจิตเลยรูปสําเร็จด้วยจิตเลยมันจะมีอย่างนี้จริงๆเพราะฉนั้นนัอัตามาไม่สงสัยเลยว่าคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้านี่ก็ตามตายไปจะเห็นสัตว์พวกนี้จะเป็นสัตว์พวกนี้เองซะด้วยซ้ําเพราะเป็นน่ะเพราะยึดอยู่มโนมยภาพตาอยู่เป็นอัตาน่ะนะผู้ใดล้างอามูลแล้วมันยังจะไม่มีเพราะงั้นหนึ่งเห็นด้วยความไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงหรอกมันไม่อยู่อย่างนั้นมันจะตั้งอยู่อย่างนั้นไม่ได้ ทิ้งเรียกว่าทุกในความหมายของทุกคำหนึ่งว่ามันจะทรงสภาพนั้นอยู่ไม่ได้มันจะต้องเปลี่ยนไปนี่เป็นความหมายหนึ่งของทุกอ่าเพราะฉะนั้นอนิจจงเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่แท้มันไม่อยู่อย่างนั้นอย่างเดิมสองมันจะตั้งอยู่ในสภาพเก่าไม่ได้นี่ความหมายอีกอันหนึ่งที่ลึกซึ้งของคําว่าทุกขมันไม่ใช่สิ่งที่จะยังตั้งอยู่อย่างนั้นตลอดกาลนานนิจจงไม่เปลี่ยนไม่แปลเลยไม่ใช่มันจะอนิจจงแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ความตั้งอยู่ไม่ได้นี่เรียกว่า ความหมายของคำบรรทุกอั น, นและสุดท้ายมันก็เปลี่ยนแปลงไปไม่มีตัวตนอ น, นี้อันนี้เป็นไตรลักษณ์ของของสภาพหมุนเวียนในปัจจุบันที่มีปัจจัถ้ามีกิเลสอยู่มีอนุสัยอยู่ยังล้างไม่หมดคุณก็จะมีมากหรือน้อยเป็นตั้ตายอยู่ในตัวคุณแต่ถ้าพบว่าทุกข์ได้ล้างจนกระทั่งเกิดปัญญายาณเป็นฌานเป็นความลึกซึ้งของฌานเผากิเลสตรงนี้ได้ กิเลมันถูกเผาละลายมันมันเผาด้วยปัญญาชาเนี่มีปัญญาด้วยเพราะะนันมันจะเข้าใจชานมันเป็นปัญญานี่ยเนพลังปัญญาชานนี่เป็นพลังของปัญญามันมีแรงเป็นอุณหธาพที่สูงก็ราคะสูงก็โทรศัสูงก็ไฟราคะไฟโทรศัแล้วมันก็ละลายมันมันสู้มันกําจัดกันได้จริงๆเพราะฉะนั้นการกําจัดการประหารด้วยวิปัสสนาญาหรือด้วยปัญญาญานี่คือความรู้ มันเห็นเลยว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์จะเกิดยานเป็นทุกข์ทั้งเวททุกเป็นภัยที่อาตมาอธิบายยานสิบหกไปให้ฟังที่ท่านโบราณาจารย์ส่รวบรวมมาแค่ไม่ใช่ของพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ของโบราณาจารย์ของพรุทธเจ้าพท่านก็ตัดวิปัสนาญาณเก้าพุทธพญาอุทธพยานวิัสนาญาณไปจนกระทั่งจบถึงขั้นสัจจานุโลมิกรยานเนี่ยเก้าตัวเนี่ยนี่พระพุทธเจ้าท่นตรัสวิปัสนาญาณเก้ามีอยู่แต่นอกนั้นน่ะ บนาณาจารย์ท่านรวมมาต่างๆนานาเป็นความรู้ตั้ง73ความรู้เศษส่วนสามยานเึี่อาตมากคยบอกอยู่ในพระธรรมหลวเร่ม31มรติกาเลยไปอ่านดูนะเพราะนันผู้ที่รู้ด้วยยานแล้วก็ดับได้ด้วยยานและดับด้วยวิปัสนาไม่ใช่ดับด้วยวิธีสมถะมันจึงจะสมบูรณ์เพราะมันเห็นแจ้งด้วยยานรู้แล้วว่าไอ้นี่ไม่ดีเช่น คุณรู้ว่าไฟร้อนคุณจะไปจับมันทําไมคุณรู้ว่าขี้มันเหม็นคุณจะไปจับมันทําไมก็สิ่งเหล่านี้มันยิ่งกว่าขี้ยิ่งกว่าไฟพระเจ้าจะเปรียบเทียบอกว่าเยอะแยะเลย ด, ดังก็ฝีดังของอะไรต่างของเน่าของเหม็นนะทัดเปรียบไว้ต้งไปรู้ต้งเท่าไหร่ถ้าเปรียบไว้คนจะเข้าใจอย่างนั้นจริงๆเลยเข้าใจเห็นด้วยญาณปัญญามันเข้าใจอย่างนั้นจริงๆมันจึงไม่เอาไง ไม่เอาเลยยังไงอะไรมาแลกก็ไม่เอาอะไรมาต่อรองอีกก็ไม่เอาก็มันไม่เอายิงมันเกิดปัญญายาณชัดเจนจึงไปเป็นพลังปัญญาที่ชัดปัญญาที่มีกําลังเป็นนิมุตดิมุตเนี่คือกําลังกําลังขวาควา ม, วามไม่เอาหลุดพ้นเด็ดขาดเลยภาษาพูดก็พูดได้แค่นี้แต่คุณไปเป็น เ, เองเหมือนคุณเองคุณละอะไรได้คุณจะรู้เลยว่าโอ้โหามีปัญญารู้เรื่องอะไรเราจะไปเอาอย่างพวกคุณเนี่ย แม้กระทั่งว่าคุณรวมหลายคนแล้วจะรู้ตัวเองว่าคนไหนที่เข้าขายของอนาคามีศีนสิบได้แล้วเลยเป็นศีลบรรลุเลยนะก mm. ูจะรู้ว่าเรื่องเองิน เ, เรื่องทองเนี่ยไม่ต้องเลยยิ่งอยู่ในหมู่กลุ่มสาธารณโภคีเนี่ยยิ่งมีความจำเป็นที่เราจะเอามาสะสมเรามาเก็บเก็บเลยมันลาบากยังต้องรักษาเลยโอ้เองินทองอะไรต้องมาถึงยิ่งรักษาเราก็รู้ว่ามีค่าไปขึ้นไปทิ้งคว้างอะไรมันก็เสียหายใช่ไหมก็ต้องคอยรักษามันอีกแล้วยิ่งมีมา ก, มาก เป็นล้านโอ้ตายตายตายตายเป็นล้านนี่เอาไปไว้ที่ไหนเอาไปไว้ก่อนใครจะช่วยดูแลมีเซฟเซอร์ไปเก็บโอ้ห้องหอมอย่างงี้ยนะมันหายไม่ดีนะมันก็ไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาต้องออกมาทําอะไรใช่ไหมมันจะเข้าใจเลยมันจะเห็นจริงเลยคุณเอ้ยจิตมันจะเป็นจริงเลยมันไม่ใช่หลอกตนเองมันเป็นปัญญาญาณจริงๆนะเพราะงั้นมาทดสอบดูาไปเรียนดูดีๆแล้วก็จะเห็นว่าปัญญาญาณ น, นี่แหละ มันจะพารางอะไระได้ออกนะเพราะงั้นวัตถุต่างๆที่เราสัมผัสเป็นวัตถุกลามหรือวัตถุพยาบาทก็ตามที่สัมผัสแล้วเราล้ลางกิเลสออกไปแล้วเราก็สัมผัสได้จิตมันก็อุเบกขาหรือเป็นมัชชิมาจิตก็กลางๆอยู่เลยไม่มีอันตาฝ่ายในข้างในไม่ตรงไปทางกามไม่ตรงไปทางอัตตาเลยะการมาสุขคฤิกะก็ไม่มี อาตากิลมัฏฐก็ไม่มีนะจึงเรียกว่ามัชฌิมากลางนะข้อสี่บททดสอบที่มีมาให้เราปฏิบัตินั้นจะมีจํานวนที่ตายตัวหรือไม่ครับโอ้เยอะแ ย, ยะไม่ตายตัวหรอกอแต่เรากาหนดเอาวว้ออกสนิก่อนอันนี้เอาไว้ก่อนอันนี้มันยังสูงไปยังยากไปสาหรับเราถึงเอาเป็นขั้นๆไปเป็นลำดับด บ, บ, บ, บและเราจะรู้ตัวอย่าง ตัวอย่างที่อ๋ออย่างนี้เองเรียนรู้กิเลสและกลากิเลสมันเป็นอย่างงี้มันออกมันหมดมันเป็นอย่างนี้เบื้องททต้นตรางมันปลายไปตามลําดับนะอย่างเช่นผู้ปฏิบัติคนหนึ่งต้องใช้บทดทดสอบพันครั้งจึงจะส 8, 100ําเร็จร้อเปเซ็นตแต่เขาทําได้แค่สองร้อยครั้งแล้วก็ตายไปแล้วที่เหลืออีกตั้งแปดร้อยครั้งเขาต้องไปทําต่อในภพชาติต่อไปใช่หรือไม่ก็ใช่คุณส ม, มุติมาเองก็ต้องใช่นี่มันก็มันยังไม่จบมาคุณพูดเองมาตั้งข่าวไว้โดยเป็นตัวเลข เป็นร้อเป็นพันครั้งทําได้แค่สองร้อยคนพูดมาเองก็ต้องใช่ต้องทําให้จนกระทั่งสมบูรณ์ความสมบูรณ์นี้ของใครของมันกนําหนดเอาต่อมาคนนี้บอกว่าพ่อท่านใช้หลักธทมของพุทธข้อใดป้องกันความเสี่ยงการจัดงานใหญ่ป้องกันความเสี่ยงการจัดงานใหญ่ออหญของชาวโศกเช่นตลาดอริยะไม่เกิดอุบัติเหตุเลยครับ เออเนาะน่าคิดเนาะเราก็ใช้ความรู้ของเราในพยายามที่สุดที่จะระมัดระวังไม่ประมาทแล้วเราก็ทําที่นี่ผู้ที่ไม่ประมาทและผู้ที่ได้ศึกษาฝึกเรียนหนึ่งเหตุที่มันจะเป็นมันทให้เกิดอุปทวะเหตุมันก็ลดลงเพราะว่าเรื่องพวกนี้เราจะไม่ไปทำอะไรรุนแรงจะไม่ทําอะไรไปเรื่องที่มัน จัดจ้านเรื่องอะไรน้ำเบามามาอยู่ในส่วนที่พวกนี้จำเป็นที่เราจะต้องทําเท่านั้นแล้วเราก็เหลือน้อยแล้วเราก็หัดด้วยฝึกหัดระมัดระวังอ่าแล้วก็มีผู้ช่วยกันดูแลเอาใจใส่ไม่มีผู้ใดดูดายกันมากนะมีผู้ที่ดูแลกันมากกว่าดูดายมันช่วยกันทั้งหมดน่ะเพราะฉะนั้นมันจึงปลอดภัยมาถึงอ่าความความเป็นอุปสทรประเหตุต่างๆนานาพวกนี้มันจึงเกิดไม่ง่าย แต่ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดไม่ได้เกิดได้แต่เราต้องไม่ประมาทพระเจ้าทสรุปอะไรตัวอย่างลง ท, ทีความไม่ประมาทลูกไกลพ่ออุตรดิตพ่อครูครับแปดเจ็ดศูนย์ห้าโกหกปริ้นปร่อนหลอกลวงประยาใหญ่เขากล่าวหาพ่อครูหลายเรื่องที่ผมรู้ว่าไม่จริงผมเสนอว่าเลิกคบสักครับเพราะว่ามันรบกวนสมาธิการฟังธรรมของพวกเราหลายคนครับผมเสนอให้พิจารณาครับ ขอบคุณอ่าจะขอเอาไว้พิจารณาไปตามกรก็พรหมทันเป็นคราวๆอยู่บ้างอยู่เหมือนกันแต่อะไรเห็นว่ามันเป็นประโยชน์อาตมาก็หยิบม า, าเหมือนอย่างบางคนเนี่ ย, อยบอกกองกงก็ได้อย่างของคุณศูนย์ห้าห้าหกเนี่ยอาตมาไม่ไม่ไม่เอาด้วยเพราะว่ามันไม่มีสาระาสมมุติอะไระอะไรมาตั้งเปล่าหรือว่ามาตำาหนิม า, า, ม, ม, ามัน มันมันมันไม่เข้าเรื่องมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรอาตมาก็เลยไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไปหยิบมาทําอะไรไม่ได้เรื่องในราวอย่างนี้เป็นต้นนะอหรือแม้คุณแปดหกเจ็ดเจ็อะไรพวกนี้มันเงยคล้ายๆกันกับแปดศูนย์ห้าหแต่เป็นเจ็ดศูนย์ห้านี่รู้คนความีอะไรแตรมาใช่ไหมมีประเด็นหลายอย่างลึกซึ้งอาตมาถึงชมว่ามีปัญญาและเป็นนักศึกษารู้ธรรมะไม่ใช่น้อยแต่เสียดายที่มันไม่ถูกต้องมันมิจฉาทิฐิเท่านั้นเอง แต่ก็เห็นใจถึงพยายามช่วยกันอยู่คิดว่าก็ไม่ได้หวังลงนะอะก็ทําไปอย่างนั้นนหะให้เป็นประโยชน์ผู้ที่ควรได้ประโยชน์ส่วนท่านจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราไม่มีไม่สามารถอาตมาไม่สามารถอาตม า, ม า, ม า, า, มาคิดว่าอาจจะฝังแน่นแนละ้วคงจะเปลี่ยนแปลงยากจากนกคนปรปฐมสามพรานหลวงปู่เจมีอายุค15 151ปีที่บอกไว้ หลวงปู่จะมีอายุร้อยห้าบเ็ดปีที่บอกไว้เป็นเพราะหลวงปู่เจริญทมสติสัมโพธชงและหลักอิธิบาสี 4, ใช่ไหมครับแในถ้าผมสวดมนต์บทสัมโพธชงผมจะมีอายุยืนเท่ากับหลวงปู่หรือเปล่าครับอ่าดีประเด็นก็คือว่าพูดกันมาว่าผู้ดใดนี่นะถ้าได้ท่องบนสวดมนต์หรือว่าพิจารณาโพดชงเจ็ดเนี่ยนะจะอายุยืนยาวนะ แล้วก็พูดเป็นปุคลาธิฐานไปแม้จะบอกว่าอานนท์นไปโปรดผู้พิสูจน์ ป, ป่วยลูกนั้ น, นไปท่องอพจน์ชงเจดให้เขาฟังแล้วเขาก็จะหายจากป่วยพระนุ่นก็ไปก็อธิบายกันไว้แค่นี้พระนุ่นก็ไปสาธยายให้ท่องโพจน์ชงเจดท่องแล้วก็ปอกกัน ว, ว่าหายความจริงแล้วคําพวกนี้เป็นคําสรุป จริงๆแล้วสัมโพชงนี้เป็นตัวคุณสมบัติของธรรมะเป็นหลักธรรมที่ชุดยอดหนึ่งมีสติสองธรรมวิจัยสัมโพชงสามวิริยะสามข้อนี้เป็นตัวปฏิบัติหลักสติคุณจะต้องดาเนินการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจา้าต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมตามหูจมูกลิ้นกายเปิดหมดมีสภาพรู้ตัวผลเมื่อสัมผัสแล้วก็รู้ตัวมีสัมปัญญามีสัมปชานโนมีโอ้เยอะแ ย, ยะเลย มีสัมปะชาโนมีสัมปะกรรมปิตติมีสัมปชัญญามีสัมปชาณะมีสัมปะชติมีสัมปชลติมีสัมปัชลิตะมีสัมปติชติมีสัมปติมีสัมปติตะมีสัมปตะมีสัมปทามีสัมปันะนี่คือพระบาลีที่ท่านมีตั้งขึ้นมาไม่ใช่ตั้งมาลอยๆมันมีสภาวะรองรับทั้งนั้น ท่านละเอียดมากพระบาลีนี่ท่านบอกละเอียดมากอาตมา ก, ก็พยายามจะหยิบพระบาลีพวกนี้มาขยายความให้พวกเราฟังเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าอ๋อนี่ของอพระพุทธเจ้าเรื่องของสมัยพระพุทธเจ้าถ้าใช้ภาษาบาลีนี่เป็นภาษาธรรมะสภาวะอย่างพวกนี้นี่เป็นสภาวะละเอียดหมายถึงนามธรรมที่ลึกซึ้งไว้สักวันอาตมาจะมาอ่านให้ฟังแล้วก็จะขยายฟังอย่าลำคาญน ะ, ะสัมปติสัมต่างๆนี่ขึ้นหน้าเลยสัมหรือแม้แต่คำว่าอุบ อุ<บ> <PTSD> ปะแปลว่าที่ใกล้หรือเข้าใกล้อุปกะแปลว่าเข้าไปใกล้แล้วใกล้เข้าไปแล้วจวนล้อุปกระเห็นไหมมีสภาวะระดับระดับเลยอุปกรรมติแปลว่าก้าวเข้าไปใกล้นะพยายามลงมือทำแล้วก้าวเข้าไปใกล้เรื่อยอุปอุปกัะปติอุปกรรมติแปลว่าเข้าไปใกล้อุปอุปกัะปติแปลว่าเข้าไปให้สําเร็จ ทำให้เกิดให้เป็นจนเป็นผลนอุปคัตชติแปลว่าเข้ามาถึงแล้วเข้าถึงแล้วมาถึงแล้วอุปคะแปลว่าเข้าถึงมีผลมีผลนี่พระบรลีแต่ละคำเนี่ยมันบอกสภาวะของสัจธรรมละเอียดอย่างเนี้ยอุปคุณนา h a n แปลว่าการยึดหนวงหรือ ก, การเข้าไปยึดเข้าไปยึดเนี่ยเป็นการอาทานยึดอย่างสมาทาน สำหรับผู้สมาธิส่วนผู้ที่มิจฉาทิฐิยึดอย่างอุอปทานอย่างเดียวแต่ผู้ที่มีปัญญาแล้วจะสมาทานยึดอย่างเอามาปฏิบัติหรือเอามาใช้ประโยชน์นสมาทานในยึดอย่างประโยชน์นยึดอยู่อย่างพระอาหารหันต์นี่ท่านก็ยังมีสมาทานยึดอยู่อย่างท่านั้นน่ะมีมีภวตัณหาทำงานอะไรอะไรไปอุปคัมะเข้าถึงแล้ว เข้าไปเข้าไปใกล้แล้วแล้วนะมีคําว่าแล้วอุปจินนาติสั่งสมแล้วพ่อคูณแล้วหรือก่อได้เก็บได้แล้วเก็บไว้ได้แล้วอุปจิตแปลว่าสั่งสมแล้วก่อแล้วนี่เป็นต้นอ่าไว้วันต่อต่อไปบางอามาจะมาขยายฝังภาษาบาลีต่างๆเนี่ยบนบอกสภาวะที่โอ้โหมันมีละเอียดละอ่อนขนาดอย่างนี้จริงๆเราจะได้เห็นว่า ธรรมบูจ้านี่ละเอียดและสมัยโนนเขาใช้ภาษ า, า, าพงศ์น้สือก็รู้กันเพราะงั้นท่านคุยกันท่านคุยกันท่านก็ใช้ภาษาอยา่างแต่พระแต่พิดกเนี่ยเดี๋ยวท่านใช้คํานั้นเดี๋ยวจะใช้คํานี้คํานู้นคานี้ต่างกันไปนิดนิดนิดนนิ น, น, นก็แสดงว่าถึงสภาวะธรรมมันต่างกันไปอย่างละนิดอย่างละนิดอย่างละนิดซึ่งมันละเอียดมากมาจริงๆเลยมันไม่ใช่ของเล่นนะต่อมาจากผู้ฟังหน้าจอถ้าเราเห็นกล้วย ที่อยู่หน้าพ่อท่านแล้วรู้สึกว่าชอบและน่ากินเป็นกินเลสกรามหรือว่าเป็นราคะก็กรามเดียวกันราคะอันเดียวกันนั่นแหละกรามมันเป็นคำรวมมันใครอยากสารพัดนะถ้าราคะเนี่ยแต่กรามนี่มันมาแนวทางราคะแต่จริงๆมันก็รวมนะมันมันอาจจะแยกมาจากโลภะหน่อยหนึ่งนะกรมแต่จริงๆแล้วคำกลางๆมันหมายถึงความเพ่ง เพ่งเพื่อที่จะมาเป็นตนของต น, นะราคะหรือการเนี่ยทมาแยกฟังแล้วว่ามันหมายถึงการสัมผัสแล้วเอามาเสพรส ถ, ถ้าโลภะเนี่มันหมายถึงการจะเอามาเป็นของของเราเลยมาเป็นของเราเลยแล้วก็หอบไปเลยมันก็เป็นสภาพมีของมีอะไรอยู่เลยเรียกว่าโลภะ <S 2> <S 2> <S อยากได้เงินทองเข้ามาโลกก็เป็นเงินทองของเรานะ อยากได้แฟนเอาแฟนมาเป็นของเราเป็นโลภะได้แฟนมาเสพสัมผัสเป็นราคะเป็นกามเสพรสไดต้ตัวตนมาเป็นของเราก็เป็นของเรามีทั้งโลภะมีทั้งราคะมีโลภะเป็นของเรามีราคะเสพรสดโดยสัมผัสเสจสีเพราะงามก็ถึงต้องมีสัมผัสห้าตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีตัวสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งการสัมผัส มีเหตุปัจจัยแห่งการสัมผัสอย่างนี้เป็นต้ น, นสองจะทําอย่างไรจึงจะชนะกิเลสตัวนี้ได้คะกํ <c oughs> าปั้นทุกดินก็ส่งปฏิบัติทีเราเรียนรู้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทไม่มีทางอื่นอาตมาไม่รู้จะไปบอกได้ยังไงอาตมาไม่มีทางเลือกอื่นเลยมีทางเดียวเท่านั้นนคือทางที่จะต้องปฏิบัติมาเรียนรู้ไปต้องฟังฟังดีๆแล้วก็ควรศึกษาไป แม้ศึกษาไปได้เรื่อยๆคนที่ปฏิบัติแล้วนี่นะได้โสดาบันก็ไม่ได้หมายความว่าจะรู้ถูกต้องเป็นหมดทีเดียวแต่รู้จักวิธีปฏิบัติเป็นลําดับเป็นลําดับเออเอาศีลเทา่านี้เอาเท่านี้ก่อนก็ได้ผลก็จะได้ภูมิขั้นโสดาภูมิไปอันทีะละน่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นมันก็จะต้องศึกษาต่อศึกษาต่อไปอีกใครจะเอาแต่ปริญญาจนก็ะทังจบหมดเลยนี่นะยาก แต่คนที่ปัญญาดีๆความเฉลียวฉลาดดีๆนะทำควาเขา้าใจหมดเลยโอ้ฐานโสดาฐานสกิตาเข้าใจหมดเลยได้เหมือนกันแต่ไม่ง่ายพระเจ้าทึ่บอกว่าแบ่ไปตามลําดับให้นงามมือจนทำกลางๆมันปลายไปตามลําดับแล้วมันจะได้อย่างเร็วพอได้แล้วมาเป็นเครื่องช่วยหรือไม่ตัวอย่างอย่างว่โซดาวันอันนี้ศึกษาปะยังไม่ทำปฏิบัติเลยเอาจนกระทั่งแหม่รู้เป็นอรหัตตะมักไอ้อรหัตตะพนี้ไม่ได้แน่นอน ได้ถึงขั้นโอโหรู้ถึงอรหัตธรรมะเจ้าจะได้ประเทศเริ่มปฏิบัติโซดาบันนะดีไม่ดีจะสับสนเฮ้ยแล้วมันอรหัตมรรมหรือมันโสดาปฏิมักวะนี่ว่าจะสับสนเพราะบอกว่าไม่เป็นเบื้องต้นท่ากลางมันปลายไงมันเอ๊มันก็กิเลนนะแล้วหยาบกลางละเอียดยังไงมันจะไม่ค่อยมันเพราะมันเชื่อบุทุเจ้าเถอดว่าต้องพยายามบื้องต้นท่งกลางมันปลายให้เป็นลําดับ อแล้วเราก็จะทําได้อย่างมีตัวอย่างอย่างมีของช่วยเป็นเครื่องรองรับเลยโสดาก็ได้ทุนมาสกิธาก็ได้ทุนต่อก็เป็นพลังมีมุดพลังช่วยพลังรวมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปทำมันจะไปได้เร็วนะอย่าไปเอาแต่โอ้โหเรียนปริญญาเรีจนเขาตั้งไม่เรียนเอาไปทําเอาให้บริบูรณ์เลยอย่าเพิ่งไม่ต้องไปขนาดนั้นหรอกไปเป็นขั้นดีกว่าอ่าต่อมา ขอฝากถึง8705ว่าอ๋อขอฝากถึงนะเนี่ยไม่รู้ว่านี่จากมุกดาหารนะ น, นี่ฝากถึง8705ว่าอ่าศึกษาศีลละเอียดเข้าถึงจิตดีพอหรือยังถึงได้มาต่อต้านพ่อทันนะคนนี้ก็พยายามเข้าใจว่ามันมีศีลละเอียดเข้าถึงจิตหรือยังปฏิบัติศีลเนี่ยเขาก็แยกกัน พวกที่จะไปนั่งสมาธิหลับตาเนี่ยจะไม่เข้าใจว่าศีลนี่แหล ะ, ะปฏิบัติแล้วจะขัดเกลากิเลสไปเป็นอรหันต์ตามลำดับอย่างที่บูาจาท่านตัดไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม24ข้อ1กับข้อ208นั่นแน่โอ้โฮโพธิลักษนี่เก่งจริงๆจำแม่นมัง่ง อ, อะไรมันแม่นก็แม่นแหละอะไรไม่แม่นก็จำไม่ได้ พระบจ้าปิฎกเล่ม24ข้อ1เลยกิมมัติยสูรชื่อสูตรกับข้อ208ชื่อกิมัติยสูตรเหมือนกันแต่ท่านแปลในพระเจ้าปิฎกนี่ต่างกันนิดนึงตรงคำต้นเทวศีลที่เป็นกุศลย่อมถึงอรหั ต, ตผลให้บริบูรณ์ยังย่อมถึงหรือยังอรหั ต, ตผลให้บริบูรณ์ไปตามลำดับใน ดูมันจะไม่รู้ว่าสูตรไหนช้อสอง8หรือข้อหนึ่งหรือท่านแปลท่านไม่มีความว่ า, าไม่มีความอะไรก็ตกไปละอาจารยจําไม่ได้อันนี้หยิบมาหมดนะท่านแปลมาครบทุสลาณิสีลานิ อ, อนุ ป, ปุเพนะอรหัตตายะนี่มีคําอรหัตตายะอนุ ป, ป, ออน ป, ปุเพนะคือตามลําดับอนุปุเพนะเนี่ตามลําดับปุเรนเตติกก็คือสมบูรณ์บริบูรณ์นะบริบูรณ์ก็แปลความว่าศีลที่เป็นกุศล เห็มศีลนี่แหละปฏิบัติศีลนี่แหละจะทําให้เกิดเป็นอรหันต์ก็คือขัดเรากิเลสเป็นสมาธิเป็นชาติเป็นสมาธิเป็นนิโรธแน่นอนถึงจะเป็นอรหันต์ได้ถ้าไม่งั้นก็เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ไปสอนว่าศีนจะขัดเกลายกับวาจาได้แต่กายเราจาส่วนสมาธิเป็นนั่งหลับตาเอาพวกนี้ไปหันหันศีลอัติศีนสิกาที่จิตสิกาที่ปัญญาสิกาของพระเจ้าไปเลยหันทิ้งหันไปสองท่อนความจริงมันเป็นสมังคี ทำร่วมกันนะศีลทําให้เกิดปัญญาทําให้เกิดสมาธิอนะปฏิบัติแล้วก็จะเกิดลาดับที่ลดกิเลสไปตามลําดับอย่างที่ท่านตรัสไว้อนะเมื่อได้ผลก็เลยว่าได้กุศลทําไปทําไปก็จะไปถึง อ, ร ห, อรหันตอรหันตะ์อรหัตตายะปุเรเตนตะิปุเรนติติติปุเรนตีติก็จบเลย น่าจะไปถึงอรหันต์ศีลปฏิบัติศีลเป็นอรหันต์ได้นะวอย่างไงก็ผู้ที่พูดมาเนี่ยวศึกษาศีลละเอียดเขาถึงจิตดีพอหรือยังถึงได้มาต่อต้านพ่อท่านอันนี้ก็จริงนะว่คงจะเข้าใจย า, ยากอยู่หลายผู้แลายคนที่ศึกษาทางด้านสมาธิก็าเพิ่งหับตาศีลเขปฏิบัติไปเพราะศีลนี่ก็คุมกายกวาจเาเท่านั้นเขาก็ปฏิบัติอย่างนี้แทนที่จะปฏิบัติศีลเป็นลําดับ เป็นโซดาบันก็อ่านจิตแล้วก็หลุดพ้นนะจิตเปลี่ยนจิตเกิดเลยเป็นสัมโพธิปารายณะไปได้เลยบริสุทธิ์ไม่มีกลับเบียนกลับเลยได้แล e. ้วไดเลยเป็นนิโรธระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงนิโรธทีเดียวแต่มันถึงขั้นแน่นอนนิยตะกถึงขั้นเที่ยงแน่นอนนิยตะเนี่ยนะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไปไม่ไม่เบียนกลับนะถ้าจริงแล้วไม่เบียนกลับนะ ต่อมาขุนผาฝากประชาสัมพันธ์บ้านราชเราตอนนี้มีที่ท่องเที่ยวมุมใหม่โอ้มีที่ท่องเที่ยวมุมใหม่สวยงามแปลกตาดีโอ้ยอย่าไปที่ได้ชวนคนมาท่องเที่ยวอาตมาไม่ได้สร้างบ้านราชนี่ขึ้นมาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่เอานักท่องเที่ยวนี่ไม่เอานักจะมานี่มาดูมาศึกษา ยินดีตอนรับผู้ที่มาศึกษาถ้าจะคนจะมาเที่ยวแล้วลราก็อาตมาเอนตี้การเที่ยวไม่ว่าเที่ยวอะไรทั้งนั้นอาตมาทึ่ว่าโอ้พวกที่เที่ยวอยู่นี่นะพวกที่ยังไม่หลุดพ้นทั้งนั้นนะไปอ่านกิเลสตัวเที่ยวให้ดีๆคนยังรักเที่ยวอยู่เนี่ยยังไม่เป็นอริยะอะไรสักเท่าไรหรอก คนเป็นอริยาแล้วจะรู้เลยว่าเออเราจะต้องเที่ยวอ่าเที่ยวหาอะไรกินเที่ยวหาหาอะไรดูเที่ยวหาอะไรฟังเที่ยวหาโน่นนี่เที่ยวเที่ยวเที่ยวเที่ยนั่นมันยังสะเเเแงหากามแสวงหาโลงผ้าสวงหากิเลสกิเลสผ้าสะเเแงหาผู้ที่ลดลงไปแล้วเนี่ยอย่างโซดาบันก็ใหม่แล้วตะลิติดฉุงใหม่ไปไปเที่ยวเนี่ยไม่เที่ยวแล้วเลิกเที่ยวแล้วใช่ไหมอับบายมุกไปเที่ยวแล้วสกิตาคามียก็ลดลงลดลงจนเบนนาคามี โอ้ยเอกจีมันมันเบล ก, กามมันสนุกกาสมนุกที่จะต้องไปต่อสู้ยัง่งชิงกันปฏิฆะไม่เอาแล้วไม่เที่ยวแล้วไม่เอาแล้วไม่ไม่ทำแล้วไม่ไม่มีเพราะคนยังเที่ยวอยู่ยังชอบนอปโนนจะต้องไปเที่ยวโน่นนี่อยู่มาศึกษาถ้าคุณจะไปอิ น, อนเดียแล้วคุณก็เรียกว่าไปเที่ยวไปอะไรไปดูสังเวชนิยสถานคุณไปศึกษานะคุณไม่ได้ไปเที่ยว แต่เพราะคุณไม่รู้คุณก็เลยถือโอกาสนี้ไปเที่ยวโอ้ oh, oh, ไปกินไปสูบไปดื่มไปเสพโดยอาศัยแฝงว่าไปศึกษาวัฒนธงเวชนชีพสถา น, นาอุจจระสุนักนะครับ mm hmm. พูดไม่ให้มันหยาบไงมันไม่ใช่หรอกแฝงแฝงนะนี่ไปเที่ยว มื่คนที่ไปศึกษากับเที่ยวต้องอ่านใจเราให้ดีว่าใจเราไปเที่ยวหรือไปศึกษาไปไหนไๆก็ควรศึกษาไม่ใช่จะหาจะเรื่องเที่ยวกิเลสมันพาเที่ยวทั้งนั้นที่พูดไปแล้วเมื่อกี้มันก็จะเที่ยวกินเต้สีสูบดื่มเสพที่เที่ยวที่จะต้องได้ไปเสพอารมณ์เสพรสใช่ไหมเที่ยวนี่คือไปเสพรสเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาดีแล้วกิเลสไม่มีเที่ยวแล้วมันนไม่มีจะไปเที่ยวหรอกผู้ยังต้องเที่ยวเพราะนั้นที่นี่นี่ขอยืนยันว่า เรามีอะไรให้ด mm. ูจร really cool? mm. ิงให้ศึกษาจริงอธิบายได้ทั้งนั้นไม่ใช่ท่องเที่ยวเอามีเขามีอะไรมุมใหม่สวยงามแปลกตาดีคือแดนหิ่งห้อยจำนวนมากตั้งแต่เวลาสองทุ่มเป็นต้นไปยิ่งฝนตกก็ยิ่งจะมีมากขึ้นน่าลานเบิ่งฟ้านะครับเอาเถอะก็หลอกล่อเขาให้มาดูมาดูหิ่งห้อยมาดูก็มาดูหิ่งห้อย มาดูอะไรของเราก็ได้เรามีอะไรให้ดูมีน้ําตก ม, กมีผูกมีผาแงนมีหินมีไม้นะบ้านไม้เมืองหินมีเรือเนะบ้านไม้เมืองมีบ้านดาดเมืองเรือบ้านไม้เมืองหินบ้านบ้านดินเมืองน้ํามีน้ําให้ดูมีดินให้ดูอนะบ้านงามเมืองพุทก็งามงามอย่างที่เราจะ่ใช่ม่ใช่งามอย่า ง, า ง, าางกามอะไรงี้เป็นต้นนะนี่เอาเนี่เอามาอวดเขาได้นมาโชว์นะ S <S <an> มีนิดๆหน่อยๆเน่ยที่เล็กๆไม่ใช่ไหมมองไปในทางภาพเนี่ยมันดูดูมันใหญ่นะดูมันแหมอลังการที่แท้มันน้อยเดียวถ่ายออกมาภาพแล้วเนี่ยโอ้โหชวนเชิญดูชวนมีน้ำนํำตกน้ําตกมีอะไรอะไรไหลลินอะไรอะไรพวกนี้มีลาธารมีอะไรเอาเอาละมีหิงห้อยก็มาดูจะมาดูมาประกอบ สิ่งที่มีประเปล่าประโลมบ้างสําหรับผู้ที่เขายังเป็นปุถุชนรืมเป็นโซนดาก็ยังมีรูปรกเิ่นเสียงสัมผัสยังมีกามยังมีอะไรอยู่แม้แต่ส ก, กิทาคามีที่ยังไม่หมดมันก็เป็นสิ่งจูงนำํำเป็นสิ่งประกอบจูงนําก็อนุโลมบ้างตรงนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่อาตมาทำตรงนี้กับจางนี้แหละหเป็นองค์ประกอบที่จูงนําแต่ไม่ได้ทําเพื่อเศจะชี้ชวนดึงคนช่างเที่ยวมาเที่ยวเพราะฉะนั้นสถานที่นี้ คนจะมาดูมาชมได้ไม่ได้แต่ขอให้เข้าใจตั้งจิตให้ถูกต้องว่ามาที่นี่เนี่ยเอออยากจะมาดูน้ำตกอยากจะมาดูภูเขาจะมาดูผาแงานมาดูหิงห้อยอะไรก็ไม่ว่าแต่คุณควรจะมาศึกษาเข้ามาอย่างนี้แล้วก็มีการศึกษาอะไระอะไรเข้าไปในนั้นมากกว่าที่จะมาเสพรสเอาสิ่งเหล่านีส้สิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องอาศัยเหมือนกระใส เมื่อกระใสจูงนํามาบ้างแต่สาระมันคืออะไรเช่นคุณไปที่อินเดียไปชมบูชสัมเวชนีสถานอะไรงนี้เป็นต้นคุณก็ใช้คำว่าเที่ยวแต่คุณไปศึกษาเป็นแกนมันก็ไม่เสียหลายอะไระไปศึกษาเป็นแกนเพราะฉะนั้นคนที่ไปแล้วแทนที่จะไปสัมเวชนีสถานคุณจะใช้อนี้ไปแต่คุณก็ไปเที่ยวแมไปช้อปปิ้งไป เสพไปนอนหาเรื่องกินเรื่องเสพเรื่องสูบอะไรยอยู่ในอินเดีย ต, ต่างๆนานาพวกนี้พวกแอบแฝงแค่นั้นแหล ะ, ะระยะหลังมานี้เวลาเข้าค่ายนักเรียนสมาธิขาช่วงเวลาเปิดเพลงเพื่อรวมตัวเห็นว่าเปิดเพลงทางโลกโลกไม่เห็นว่าจะได้ประโยชน์อะไรทำไมไม่เปิดเพลงแบบเก่าซึ่งเป็นเพลงปลุกใจนักเรียนและมีสาระด้วย อาตมาก็ได้ยินแววๆแต่ว่าไม่ได้พิจารณาชัดว่าเป็นเพลงโลกโลกที่มันไรสาระจริงหรือเปล่าดูเหมือนจะม่มีคําชวนดีๆอยู่แล้วกันนะแต่ว่ามันไม่ใช่ของพวกเราแต่งเองมันเป็นของข้างนอกเขาแต่สาระของเขาก็มีพอได้มันเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าถ้าเผื่อว่าเป็นเช่นนั้นมันเป็นเรื่องอประโลมโลกไปมากกว่าลูกเล่าเฉยๆพวกเราก็ศึกษาหน่อยละเว้นหน่อยนะอย่าไปเอามาใช้มากนัก แต่ถ้เผื่อว่ามันเป็นสาระอยู่พอสมควรมันก็มีอะไรบ้างก็ได้ก็เราอนุโลมเราไม่ได้เป็นคนที่แแม่เป๊กเลยแข็งเป๊กไม่อนุโลมอะไรเลยมันไม่ใช่หรอกเราไม่ถึงขนาดนั้นนะเราเป็นคนที่รู้จักอนุโลมปฏิโลมอะไรเล้วกว่ารู้จักการที่จะอนุโลมคนในระดับแต่ละระดับอยู่ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่แข็งขืนอะไรจนเกินการนะต่อมา จาวนี้บอกว่าพ่อท่านครับบรรลุธรรมคืออ่านจิตตรวจจิตเท่านั้นหรือครับแล้วที่ปิ๊งปิงในสมัยพุทธกาลนะครับปิ๊งปงในสมัยพุทธกาลเป็นยังไงเขาไม่ได้อ่านอย่างนี้หรือครับหมายความว่าไงฮะฮะอ๋ะอปิ๊งปิ๊งหมายความว่าในสมัยพุทธกาล ไม่ได้อ่านอย่างนี้คือไม่ได้อ่านใจปิ๊งๆเลยนี่ไหมเขาฟังธรรมแล้วก็บรรลุปิ๊งไปเลยเหรออ๋อคือผู้ที่มีลักษณะพวกนี้นี่นะดีเหมือนกันอธิบายให้ฟังอย่างพระพายะทารุจริยะได้ฟังธรรมสี่ประโยคท่านก็บรรลุอลหรหันต์ท่านไม่ได้มาพยายามตรวจจิตอ่านจิตอะไรนี่นะท่านปิ๊งเลยอย่างนี้นะนั้นท่านมีบารมีสูงแล้วมีทุกอย่างพร้อมที่จะบรรลุสูงสุด มัรลุอรหัตผลเลยแล้วเหมือนน้ําในขันนี่มันเต็มขันแล้วมันเหลืออีกหยดเดียวหยดเดียวอย่างพระพายะเนี่ยพอน้ําหยดปิ้งเต็มขันเลยอย่างพยสะฟังธรรมสองกันฟังกันแรกเป็นโซดาบันฟังกันที่สองที่พระพุทธเจ้าเทศให้พ่อพ่อฟังพระยาสะยาสามานุโกฟังด้วยพอฟังอีกการที่สองก็บรรลุเป็นอรหันต์เลย ก็มีบา ร, รมีแล้วแล้วก็พร้อมที่จะบรรลุเป็นอุกติตันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่านึกเข้าใจว่าเราเป็นอุกติตันอยู่ัวชนน้ำแล้วหรือแต่รับแสงนิดนึงสว่บานเลยเพราะเราไม่รู้ว่าบัวใต้น้ําอยู่ลึกขนาดไหนโอ้โหก็จะนึกนุกนึน้งมาถูกเต่าถูกปลากินก่อนที่จะขึ้นมาน้ํา ม, มาโผล่พลนน้ําหรือก็ไม่รู้นี่เพราะงั้นทังหมดจะไปเข้าใจผิดอย่างนั้นนะเราต้องสังสมบา ร, รมี นะ้แล้วมันจะเป็นไปได้ผู้ที่ไม่อะไรมากนะ้ก็ปิงไปได้นะ้ไม่ต้องฟังอะไรมากนะ้ขออภยัยยักษอัตมาเนี่ยไม่ได้ไปศึกษาไม่ได้ไปอะไรมากก็ใครก็ให้เท่าไหร่ศึกษาเองโดยดําคนไปดูเหมือนกันคนขุดอึงเขาแล้วมันก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านไปในไปพบโสดจะไปพบกับอา ร, านบรอันดาวบดุบทโธกดาบดุทธรรมไปกับเขาเฮ้ยมันไม่ใช่เลยคล้ายๆงั้นแหละอาตมาเหมือนกัน ก็ไปดูแล้วซึ่งไม่ได้เป็นสิทธิ์สำนักไหนเลยไงแต่ไปสำนักนั้นตอนนี้ไปลองดูเขาไปอะไรไปตามภาษาเราดูอะไรอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้ไปจริงจังพราะนั้นใครจะมาอ้าวว่าจาะมาเป็นลูกศิษย์สำนักนั้นสำนนี้ไม่ได้เลยในชาตินี้เพราะด้วไม่ได้ไปศึกษากับสำนักไหนจึงไม่มีสิทธิพี่สิทธิน้องในสำนักไหนหรือไม่มีครูบาอาจารย์อย่างนี้เป็นตน้นที่พูดไปนี่นะคนเขา เข้าใจยังไม่ได้อย่างนี้เนี่ยเขมันไส้มันไ ส, นส้เขาไม่เข้าใจสิ่งที่มันมีบา ร, รมีแล้วมาถึงเวลาดังหนึ่งนี้เนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันก็มีขนาดบา ร, รมีมากบา ร, รมีน้อยมีอีกเยอะหลายระดับอยู่นะสองพ่อท่านสอนจากไม่รู้คืออวิชชาสูร่รู้แม่ไอคำว่าสู่รู้นี่จะมารวมกันในภาษาไทยมันก็ไม่ดีเนา ะ, ะไม่รู้คืออวิชชาสูร่รู้คือไปสู่ความรู้คือวิชา สู่ปรินิพานสุดท้ายกลับมาไม่รู้อะไรอีกเลยถูกไหมครั บ, รบเอา้ารู้แล้วก็รู้เลยสิไม่รู้อีกเลยได้งไงอ่าอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้ลิงลมองเข้าพองมันผ่านชาติมันผ่านชาติมันก็เลยข้ามาพอมาเกิดเนี่ยมันยังไม่ขึ้นมาพร้อมเหตุปัจจัยยังไม่ครบพร้อมเมื่อเหตุปัจจัยยังไม่ครบพร้อมแม้แต่พระพุทธเจ้า ม, มีพุทธการะคธรรมมีธรรมะมรุธรรม ม, รรร ม, มาแล้วปฏิบัติสังสมมาจนกระทั่ง ได้สมมาสัโพิยานแล้วทึอ่อาตมาก็ยืนยันในฝังว่าท่านไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเลยในชาติที่เป็นเจ้าชายศสียสละไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยเขายืนยันเลยคุณตรวจสอบประวัติท่านก็ได้ยี่สิบเก้าปีไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอาออกไปบวชอีกหกปีก็ปฏิบัติผิดหกปีท่านก็ตัดไปในปัจจิบิณฑคเรื่องสาสิบสองข้อสามร้อยเก้าสบสองอันนี้จําได้แหละท่านก็ตัดไป ว, ว่าอันนั้นเป็นทางผิดทางนั้นไม่ใช่เป็นทางที่พาบรรลุ อ่าอย่างนี้เป็นต้นก็สรุปแล้วสามสิบห้าปีหกปีที่ไปไปฏิบัติผิดอยู่อีกไปใช้หนี้บาปเธอก็บอกไว้เราไม่ได้บรรลุด้วยทางนั้นเสร็จแล้วท่านกระดึกชาติเตวิชโชก็จึงรู้ว่าโอ้เราบังเป็นมาครบแล้วถึงได้รู้ธรรมะทั้งหมดออกมาของท่านเองแล้วก็ท่านก็รูป้ปุบเลยแล้วก็เอามาอธิบายอย่างนี้เป็นต้นน่ะ แต่ในตอนที่ยังไม่บรรลุนั่นแหละคือดิ้งลบอมก็ะพองมันเหมือนกับว่าเอ้าแล้วบรรลุแล้วรู้แล้วทาไมมาเกิดดิ้งมันไม่ไม่มีมอันนี้แหละถึงบอกวันยากยากอากอตมารู้เพราะของตัวเองก็มีอาตมาก็ต้องไปบุ่นอยู่กัโลกเขาเหมือนกันแล้วทั้งนั้นแหละเยอะแยะนะไม่ต้องเอาใครก็ได้อย่างเอาพาหิยะก็ได้พระเยสาก็ได้ไดตามวิบากของท่านเ่านก็ไปอย่างนี้นะพอทัดเจ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมสองกันท่า น, านก็เป็นอรหันต์อย่างนี้พระเยสา ในงั้นแล้วก็ไปเหมือนคนไม่บรรลุเป็นไอหนุ่มซิ่งนะอ่าเยสานะ้าน่ามีพวกมีเพื่อนหรืว่ากวนกวนซิ่งอะ่ะพอเสร็จแล้วก็เลยไปอรรลุที่จริงกวนซิ่งก็เพื่อนสนิทกันทั้งนั้นเลยแล้วก็พร้อมที่จะบรรลุทั้งนั้นเลยเอาเพื่อนมาได้งห้าสิบคนฟังจำพระพุทธสอนพระพุทธเจ้าสอนประเดี๋ยวเดีย ว, ยวบรรลุหมดเลยเป็นอหรหันต์รุ่นแรกเลยหกสิบรุ่นแรกเลยมานี่พวกนี้มันเป็นเรื่องที่ เป็นวิสัยของผู้ที่มีบารมีจึงจะไปลอกเลียนแบบเล่นไม่ใช่ของเล่นสามรูปนามอะไรยิ่งใหญ่สุดสุดท้ายปณิพานธ์แล้วเราจะไปอยู่ที่รูปหรือนามครับถ้าปริิพาน์เป็นปริโยสาปรปณิิพาน์ไม่ตั้งจิตต่อเลยไม่มีพบต่อไม่มีวิพัฒนาหรือไม่มีอ ป, ปนิไม่มีปณิหิตะก็คืออ ป, ปนิหิตะไม่ตั้ง ภูมิพบไปอีกเลยถ้าเป็นพระอาหารหันต์แล้วสุดท้ายปณิธานแล้วไม่อยู่กับรูปกัานามอะไรเลยสูญไปเลยเลิกนะรูปนามอะไรยิ่งใหญ่ที่สุดแม่ปัญหานี้อาตมาจะตอบยังห้รูปนามอะไรยิ่งใหญ่ที่สุ ด, ร, ออ ร, ร, ร, สดรูปนามของกิเลสนี่แหละยิ่งใหญ่รู้มันให้ชัดแล้วก็กำจัดไม่ให้หมดถ้ามันยังไม่หมดมันก็เป็นรูปนามอยู่กับคุณนะนะจากคนพลตรีมินคนดีจะสร้างศีล สมาธิปัญญาให้แก่ตนเองได้ชั้นใดนั่นแน่ท่านผู้นี้ก็จะมีชั้นใดชั้นนั้นมาทุกงวดเหมือนกันเข้าใจตั้งมีอุปมาอุปไมยคนดีจะสร้างศีลสมาธิปัญญาให้แก่ตนเองได้ชั้นใดคนเลวก็จะสร้างปัญหาทำลายสารทำลายชาติของตนได้ชั้นนั้นออาศัยอาตมาไปว่าเขาอาศัยปากอาตมาอ้าวไม่เป็นไรก็อ่านไปให้แล้วอ่า แผ่นสุดท้ายหน้าจ อ, อากราบมนุษการพ่อครูค่ะถามคนที่ฟังธรรมนั่งหลับเป็นงูคนที่คุยระหว่างฟังธรรมเป็นอะไรอ๋อใครบอกว่าคนมันฟังธรรมนั่งหลับเป็นงูคนที่คุยระหว่างฟังธรรมเป็นอะไรคนที่ หยอกล้อกันฟังธรรมเป็นอะไรคนที่กันแกล้งกันแกล้งกันฟังธรรมเป็นอะไรออแต่ข้อหลังในคนที่กันแกล้งกันเนี่ยหยอกล้อกันนี่เป็นลิงแกล้งกันนี่ก็เป็นคนที่ใจไม่ดีใจเป็นคนอำมหิตเป็นคนที่ไปแกล้งคนอื่นเขาเป็นคนที่ ไปหาเรื่องไม่ดีไปให้คนอื่นอคนหยอกล้อ ก, กันก็นเป็นลิงคุยกันระหว่างฟังธรรมปากเหม็นอขาพูดไปงั้นน่ะอาจจะมาไม่รู้รกรรมวิบากไม่เก่งกรรมวิบากนี้เป็นอจินไตยทําอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างนั้นทําอย่างนั้นแล้วจะเป็นอย่างนี้เนี่ยจริงๆมันมีนะมีสัจธรรมแนวรู้จ้าท่านตรัสไปเนี่ยเยอะ ท่านรู้จริงอาตมาไม่รู้ถึงขั้นนั้นอาตมาก็ไม่ทําเล่นหรอกไม่อวดดีแน่นอนอาตมาใครจะว่าไม่รู้ใครจะว่าโง่ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรก็มันโง่มันไม่รู้จริงๆอ่ะไอ้ที่รู้อาตมาก็ยืนยันแม้ว่ามันจะพอเข้าใจพอรู้ว่าทําอันนี้จะเกิดผลเสียผลร้ายนี่หรือว่าจะมามาต้องมาเป็นวิบากอันนี้ทําอันนี้จะมาวิบากอันนี้พอรู้บ้างแต่ไม่เก่งอาตมาเขายืนยันว่าอาตมาไม่เก่ง อาตมาถึงไม่อยากจะไปพยากรหรืออยากจะไปตอบเรื่องที่อาต ม, า, pue, ไมาไม่รู้ดีทำไมรู้ดีแล้วพูดไปมันผิดมันบาปไม่เอาไม่อดีบดีในเรื่องที่ไม่เอาไม่ไม่ชัดเจนไม่จริงจังนะเพราะงั้นให้อาตมาไปพยากรนั่นนี้นีพวกนี้อาตมาไม่เอาไม่ไม่ชอบที่จะไปพยากรนะจะต้องไปทํานายจะต้องไปโอ้อย่างนี้มันต้องไปทํานายว่าเขาเขาจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันยังไม่เกิดอาตมาไม่เอาอ่ะ แต่สอนสัจจธรรมให้รู้ว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยมันไม่ดีเห็นทุกเห็นสมุทยัยให้มันชัดเจนในชาตินี้ไอ้เหล่านั้นเป็นข้างเคียงซึ่งมันแปลสภาพไปได้เยอะเช่นคนฆ่าสัตว์แล้วมันต้องมาเกิดเป็นสัตว์ตัวนั้นไม่ใช่ตัวนั้นคนละตัวแหละแต่ว่าคนฆ่าควายตายแล้วก็จะมาเป็นควายให้เขาฆ่ามันเป็นได้จริงเหมือนกันมันเป็นจริงเหมือนกัน นะ่เป็นสภาพที่มันเป็นได้อย่างนั้นแต่มันไม่ได้ตายตัวมันไม่ได้ตายตัวนะ่ะมันมีเหตุปัจจัยของมันเยอะจึงเรียกว่าเป็นเรื่องอคินไตเป็นกรรมบวมิบาตมันสังเคราะห์แต่เป็นได้อย่างนั้นในชาดกของพระพุทธเจ้าที่ท่านอธิบายแลไรมาเกิดเป็นอะไร น, นี้เป็นอย่างไรงี้บางคนเป็นซ้ําอยู่อย่างนั้นตั้งร้อยชาติห้าร้อยชาติก็มีซึ่งพวกนี้มันเยอะมันเป็นเรื่องที่เดาไม่ได้ อ่าเพราะฉะนั้นมาเข้าใจถึงเรื่องบาปบุญหรือมาเรื่องเข้าใจถึงเรื่องชั่วดีกรรมกุศลอกุศลพวกนี้ให้ชัดแล้วเราก็ปฏิบัติไปตามขั้นตอนของเราไปเรื่อยๆเถอะไม่จําเป็นจะต้องไปคิดว่ามันคิดหัวแตกว่าเปลี่ยนจินตใจแล้วเดาผิดเดาถูกมันก็ไม่เข้าท่าแต่เราจะพอเข้าใจไปเรื่อย ๆ, ๆเอออันนี้มันไม่ดีของเราอันนี้มันบาปมันชั่วเราก็ละไปละไปเราไม่ทําแล้วก็จบเรื่นี้ น่ยจะว่ามันจะไปเกิดเป็นอะไรก็เราเลิกทำแล้วมันก็ไม่มีแล้วเหตุปัจจัยมันก็ดับไปดับไปเราก็มาทำมันนี้ดีกว่าอนะเพราะงั้นไอ้เรื่องที่พวกนี้เนะี่ยไปจะรู้อย่างง่นอย่างนี้จะต้องไปเกิดไปไเป็นนั้นเป็นนี่ผู้ที่รู้จริงท่านก็บอกได้บอกดีแล้วมันก็กลัวใช่ไหมไปเป็นอะไรมันกน็มันเป็นเรื่องน่ากลัวมันก็ดีทําได้แต่อาจะมาไม่สามารถนะ่ะก็เลยตอบไม่ได้อย่างที่ต้องการจะให้ตอบนะก็ต้องขอไปได้เท่านี้นะอ่ะสําหรับวันนี้ อาตมา ก, ก็ขอจบในเวลาเพียงเท่านี้เจริญธรรมทุกคน